กายคตาสติกถาบัร น, นี้ถึงลำดับการแสดงถึงการเจริญกายคตาสติกรรมฐานอันไม่เคยเป็นไปในการอื่นจากพุทธุ ป, ปาทการไม่เป็นวิสัยของเดียร์ถีทุกจำพวกที่พระผู้มีพระภาคตรัสสรรเสริญในพระสูตรนั้นๆโดยอาการนีใช่น้อยอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย ธรรมะอันหนึ่งอันภิกษุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วยอมเป็นไปเพื่อสังเวทใหญ่ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่ยอมเป็นไปเพื่อความเกษมจากโยคะใหญ่ยอมเป็นไปเพื่อสติและสัมปัชชัญญะใหญ่ยอมเป็นไปเพื่อได้เฉพาะซึ่งญาณทัศนะยอมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในภพปัจจุบันยอมเป็นไปเพื่อทำวิชาวิมุต และผลให้แจ้งธรรมะอันหนึ่งนั้นคืออะไรคือกายคตาสติภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติชนเหล่านั้นย่อมได้บริโภคอมตะชนเหล่าใดไม่ได้บริโภคกายคตาสติชนเหล่านั้นย่อมไม่ได้บริโภคอมตะกายคตาสติอันชนเหล่าใดบริโภคแล้ว อมตธรรมเป็นอันชนเหล่านั้นได้บริโภคแล้วกายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่บริโภคแล้วอมาตธรรมเป็นอันชนเหล่านั้นไม่ได้บริโภคแล้วกายคตาสติของชนเหล่าใดเสื่อมแล้วอมาตธรรมเป็นอันเสื่อมจากชนเหล่านั้นแล้วกายคตาสติของชนเหล่าใดไม่เสื่อมแล้วอมาตธรรมเป็นอันไม่เสื่อมแล้วจากชนเหล่านั้น กายคตาสติอันชนเหล่าใดเบื่อแล้วอมระธรรมเป็นอันชนเหล่านั้นเบื่อแล้วกายคตาสติอันชนเหล่าใดชอบใจแล้วอมระธรรมเป็นอันชนเหล่านั้นชอบใจแล้วดังนี้เราทรงแสดงด้วยอำนาจแห่งบัพพาสิบี่ประการดังนี้คือหนึ่งอาณาปานะบัพพาสอง อิริยาบถาบาพะสามจตุสัมปชัช ญ, ญาบาพัพะสี่ปฏิกูลมนาสิกานบาพะห้าทาตุมนาสิกานบาพัพะข้อที่หกถึงสิบสี่สวัติกะบพะเก้าโดยในยะมีคำว่าภิกษุทั้งหลายก็กายคาตาสติ ภิกษุเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอ น, นิสงมากภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้อยู่ป่าก็ดีดังนี้เป็นตน้นในสิบสี่บัพธะนั้นเพราะเหตุที่สามบัพธะนี้คืออิริยาบถบัพธะจตุสัมปัชญะบัพธะและทาตุมณสิการะบัพธะ ตรัสไว้ด้วยอำนาจวิปัสนาสิวัติกาบาพะเก้าตรัสไว้ด้วยอำนาจอาธินาวานุปัสนาในวิปัสนาญาณทั้งหลายนั่นเองและแม้สมาธิภาวนาที่พึงสำเร็จในอสุภะมีอุทุมมาตกะอสุภะเป็นต้นในสิวัติกาบาพะเหล่านั้นก็ประกาศแล้วในอสุภะนิเทศนั่นแหลอันหนึ่ง อาณาปานาบพะและปฏิกูลมณสิการบาาัพะสองบพะนี้เท่านั้นตรัสไว้ในอำนาจสมาธิในกายาคตาสติกรรมฐานนี้ในสองบพะนี้อาณาปานาบพะเป็นกรรมฐานแผนกหนึ่งด้วยอำนาจอาณาปานาสติอันหนึ่งกรรมฐานมีอาการสามสิบสอง ที่ส่งสงเคราะห์มันสมองเข้ากับเยื่อในกระดูกทรงแสดงด้วยอำนาจบานาสิการโดยความเป็นของปฏิกูลอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายนี้แหละข้างบนนับแต่พื้นเท้าขึ้นไปข้างล่างนับแต่ปลายผมลงมามีหนังเป็นที่สุดรอบเต็มด้วยอสุจิคือของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่า สิ่งที่มีอยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีสเลตหนองเลือดเหงือ่อมันค้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดหรือปัสสาวะ กรรมฐานนี้ท่านประสงค์เอากายาคตาสติในนิเทศนี้พึงทราบการแสดงวิธีเจริญในกายาคตาสตินั้นมีการพรรณนาตามพระบาลีเป็นหลักดังต่อไปนี้บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอิมะเมวะกายังได้แก่กายอันเน่าเปื่อยอันเป็นที่ประชุม แห่งมหาภูตรูปสีน่นี้บทว่าอัทฐังปาทตลาได้แก่พิจารณาขึ้นไปตั้งแต่พื้นเท้าบทว่าอโทเกสมัทธกาได้แก่พิจารณาลงมาตั้งแต่ปลายผมบทว่าตจัปริยันตังได้แก่โดยขวางอันหนังหุ้มไว้ บทว่าปูรันนานปการศสะอสุจีโนปัจเจเวคติความว่าเห็นว่ากายนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆมีผมเป็นต้นเห็นอย่างไรเห็นว่ามีอยู่ในกายนี้ผมขนเล็บจนถึงมูดดังนี้บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอัธิ แปลว่ามีอยู่บทว่าอีมาสมิงได้แก่ในกายที่ตรัสว่าตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปตั้งแต่ปลายผมลงมาอันหนังหุ้มโดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆนี้บทว่ากายเยคือในร่างกายอธิบายว่าสริระเรียกว่ากาย เพราะเป็นบอ่อเกิดแห่งอาการสามสิสองมีผมเป็นต้นและแห่งโรคนับร้อยมีโรคตาเป็นต้นชื่อว่าเป็นของน่าเกลียดเพราะหมักห ม, มมของไม่สะอาดไว้บทว่าเกสาโลมาได้แก่อาการส2สิสองเหล่านั้นมีผมเป็นต้นบทว่าบัณฑิต พึงทราบสัมพันธ์ในบทพระบาลีนั้นอย่างนี้ว่าผมทั้งหลายอยู่ในกายนี้คนทั้งหลายอยู่ในกายนี้ดังนี้เป็นต้นในที่นี้น่าจะพิมพ์ตกคำบาลีนะครับจริงอยู่ใคร่ใค้คนหาแม่โดยอาการทั้งปวงในร่างกายยาวประมาณหนึ่งวานี้คือเบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปเบื้องต่าตั้งแต่ปลายผมลงมา โดยรอบตั้งแต่หนังยอมไม่พบของสะอาดอะไรๆจะเป็นไข่มุกก็ดีแก้วมณีก็ดีแก้วไผ่ทูลก็ดีกฤิษนาก็ดีกาลระบูลก็ดีของอื่นๆมีจุนเครื่องอบก็ดีแม้เพียงอนูหนึง่งโดยที่แท้พบแต่ของไม่สะอาดดานาประการต่างโดยผมและขนเป็นต้นอันมีกลิ่นเหม็นน่าเกลียดยิ่งหนัก เห็นเข้าไม่เป็นมิ่งขวัญเลยเพราะฉะนั้นจึงตรัสว่าอัธิอิมัสมิงกาเยเกสาโลมาจนถึงมุตตังดังนี้นี้เป็นการพนานาโดยบทสัมพันธ์ในพระบาหลีนั้นวิธีบอกกรรมฐานก็กุลบุตร ริเริ่มบำเพ็ญเพียรใครจะเจริญกรรมฐานนี้พึงเข้าไปหากัลายาณมิตรมีประการดังกล่าวแล้วพึงกำหนดกรรมฐานนี้เถิดฝ่ายอาจารย์นั้นเมื่อจะบอกกรรมฐานพึงบอกอุคะหาโกสัละโดยอาการเจ็ดและมนาสิกานโกสัลละโดยส่วนสิบอุคะหาโกสัลละเจ็ด ในโกสละสองอย่างนั้นอาจารย์พึงบอกอุกหะโกสละโดยเจ็ดวิธีคือโดยวาจาโดยใจโดยสีโดยสันธานโดยทิศโดยโอกาสและโดยปริเชดโดยวาจาก็ในกรรมฐานที่ต้องมนาสิการโดยเป็นสิ่งปฏิกูลนี้ประโยคาวจรถึงแม้จะทรงพระไตปิดก ในการมนัสการก็ควรทําการสาธยายด้วยวาจาก่อนเพราะพระโยคาวจรบางท่านเพียงทําการสาธยายเท่านั้นกรรมฐานก็ย่อมปรากฏเหมือนพระเทระสองรูปผู้เรียนพระกรรมฐานในสํานักของพระมหาเทวะเทระผู้อยู่ในมลยาวิหารเล่ากันมาว่าพระเทระอันท่านทั้งสองนั้นขอกรรมฐานแล้ว ได้ให้คำพระบาลีในอาการ32โดยสั่งว่าท่านจงทาการสาธยายข้อนี้แหละตลอดสี่เดือนก็ท่านทั้งสองนั้นแม้ถึงท่านจะชนานาญตั้งสองถึงสนิกายนี้ก็จริงแลแต่เพราะเหตุที่ท่านเป็นผู้มีปกติรับโอว่าดโดยเบื้องขวาคือเชื่อฟังคำสั่งสอนจึงหมั่นสาธยายในอาการ32ตลอดสี่เดือน ได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์เมื่อจะบอกกรรมฐานจึงควรบอกอันเตวาสิกว่าฉันตนจงสาธยายด้วยวาจาเป็นอันดับแรกวิธีสาธยายก็เมื่อจะทำการสาธยายพึงกำหนดปัญจักะทั้งหลายมีตะจะปัญจักะเป็นต้น แล้วทําการสัทยายด้วยการอนุโลมและปฏิโลมคือพึงสะทยายโดยอนุโลมว่าเกสาโลมานักขาทันตาตัดโจผมขนเล็บฟันหนังและพึงสะทยายโดยปฏิโลมอีกว่าตัดโจทันตานขาโลมาเกษาซึ่งแปลว่าหนังฟัน เล็บขนผมลำดับนั้นพึงนสารทยายในวัคกาปัญจกในห้าอันดับต่อไปว่ามังสังนหารุอัธิอัธิมิชังวักกังแปลว่าเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตแล้วสวดโดยปฏิโลมคือถอยหลังว่าวักกังอัธิมิชังอัธิ นหารุมะสังตจโจทันตานขาโลมาเกสาคือไตยเยื่อในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขนผมลำดับนั้นพึงสวดในปภาสะปัญจกะว่าหัทยังยะกันังกิโลมะกังปิหากังปภ า, าสัง หัวใจตับพังผืดม้ามปอดแล้วสวดด้วดยปฏิลมอีกว่าประาสังปิหกังกิโลมกังยักนณังหัทยังวักกังอัธิมิชังอัธินาหารุมังสังตะโจทันตาณขาโลมาเกสาปอดม้ามพังผืดตับหัวใจ ไเยืย้อกระดูกกระดูกเอนเนื้อหนังฟันเล็บขนผมลำดับนั้นพึงสวดในมัทหลุงคาปัญจกะว่าอันตังอันตะคุนังอุทธริยังกรีสังมัทหลุงคังไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองแล้วสวดโดยปฏิโลมว่า มัทะลุงคังกะรีสังอุททริยังอันตะกุนณังอันตังปภาสังปีหักังกิโลมกังยักกนังหัตถยังวักกังอัธิมิชังอัถินหารุมังสังตัดโจทันตานขาโลมาเกสามันสมองอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ ปอด ม, ม้ามพังผืดตับหัวใจไตเ ย, ยื่อในกระดูกกระดูกเอนเนื้อหนังฟันเล็บขนผมลำดับนั้นพึงสวดในเมธาจักกะว่าปิตังเสมหังปุโพโลหิตังเสโทเมโทดีเสมหะน้ำเหลืองเลือด เงือมันค้นแล้วสวดโดยปฏิโลมอีกว่าเมโทเสโทโลหิตังปุกโพเสมหังปิดตังมัทะลุงคังกะรีสังอุทธริยังอันตะคุณังอันตังปภาสังปิหกังกิโลมกังยะกังหัทยังวักกังอธิมิชังอัถินหารุ มังสังตโจทันตานาขาโลมาเกษามันค้นเหงื่อเลือดน้ำเหลืองเสมหะดีมันสมองอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดม้ามพังผืดตับหัวใจไตยเยื่อในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขนผม ลำดับนั้นพึงสวดในมุตตะชักกะว่าอั ส, สุวัสสาเคโลสิงคานิกาลาสิกามุตตังน้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูดไข่ข้อมูดแล้วสวดโดยปฏิโลมอีกว่ามุตตังลาสิกาสิงคานิกาเคโลวัสสาอั ส, สุเมโทเสโท โลหิตังปุกโพเสมหังปิดตังมัทลุงคังกรีสังอุททริยังอันตะคุณังอันตังปภะสังปีหักังกิโลมกังยักกนังหัทยังวักังอธิมิชังอธินหารุมังสังตาโจทันตานขาโลมาเกสาซึ่งแปลว่ามูด ไข่ข้อน้ำมูกน้ำลายมันเหลวน้ำตามันค้นเหงือ่อเลือดน้ำเหลืองเซมหะดีมันสมองอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดม้ามพังผืดตับหัวใจไตเ ย, ยื่อในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขนผม พึงทำการสาทยายด้วยวาจายอย่างนี้ตั้งหนึ่งร้ยครั้งหนึ่งพันครั้งหนึ่งหมนครั้งเพราะว่าระเบียบแห่งกรรมฐานย่อมจะคล่องตัวจิตจะไม่วิ่งพล่านไปทางน้้นทางนี้ส่วนทั้งหลายย่อมปรากฏคือย่อมแจ่มชัดดุจแถวนิ้วมือและกระทู้รู้ว่าฉะนั้นโดยใจสีสันฐานทิศโอกาส และปริเชตพึงทำการสาทยายโดยวาจาชันใดแม้โดยใจก็พึงทำการสาทยายชั้นนั้นเหมือนกันเพราะการสาทยายโดยวาจาย่อมเป็นปัจจัยแห่งการสะทยายโดยใจการสาทยายโดยใจย่อมเป็นปัจจัยแห่งการแทงตลอดลักษณะคำว่าโดยสีได้แก่พึงกำหนดดูสีแห่งผมเป็นต้น คำว่าโดยสันธานได้แก่พึงกำหนดดูสันธานของผมเป็นต้นเหล่านั้นนั่นแหละคำว่าโดยทิศความว่าก็มีในสรีระนี้เหนือนาพีขึ้นไปคือเหนือสะดือขึ้นไปจัดเป็นทิศเบื้องบนใต้นาผีลงมาจัดเป็นทิศเบื้องล่างเพราะเหตุ น, นั้นพึงกำหนดทิศว่าส่วนนี้อยู่ในทิศชื่อนี้ คำว่าโดยโอกาสความว่าพึงกำหนดโอกาสของส่วนนั้นๆอย่างนี้ว่าส่วนนี้ตั้งอยู่ในโอกาสตรงนี้คำว่าโดยปริเฉดความว่าปริเฉดมีสองอย่างคือสภาคปริเฉตกำหนดส่วนที่เข้ากันได้หนึ่งวิสภาคปริเฉตกำหนดส่วนโดยที่ต่างกันหนึ่งในสองอย่างนั้น พึงทราบสภาพปริเฉดอย่างนี้ว่าส่วนนี้กำหนดด้วยส่วนชื่อนี้ทั้งเบื้องล่างเบื้องบนและเบื้องขวางกำหนดด้วยส่วนที่ต่างกันพึงทราบความโดยไม่ปะปนกันและกันอย่างนี้ว่าผมคือสิ่งที่ไม่ใช่ขนขนเล่าก็คือสิ่งที่ไม่ใช่ผมดังนี้วิธีบอก อุคาหโกสละก็แลอาจารย์เมื่อจะบอกอุคาหโกสละโดยเจ็ดวิธีดังกล่าวมานี้พึงทราบว่ากรรมฐานนี้ที่ตรัสไว้ในสูตรโน้นโดยเป็นสิ่งปฏิกูลในสูตรโน้นโดยเป็นธาตุดังนี้แล้วจึงบอกจริงอยู่กายคตาสติกรรมฐานนี้ในมหาสติปัทานสูตร ตรัสไว้โดยเป็นสิ่งปฏิกูลในมหาหาัตถิปโทปมสูตรมหาราหุโลวาทาสูตรและทาตุวิพังคสูตรตรัสไว้โดยเป็นธาตุส่วนในกายคตาสติสูตรทรงจำแนกชาญสีหมายเอาพระโยคาวจรผู้มีผมปรากฏโดยสีในกรรมฐานสองอย่างนั้นที่ตรัสไว้โดยเป็นธาตุจัดเป็นวิปัสสนากรรมฐาน ที่ตรัสไว้โดยเป็นสิ่งปฏิกูลจัดเป็นสมถกรรมฐานกายคตาสติกรรมฐานในที่นี้จัดเป็นสมถกรรมฐานนั่นเองอาจารย์พึงบอกอุคหะโกสละโดยเจ็ดวิธีด้วยประการชนีอาจารย์พึงบอกมนาสิการโกสละโดยสิบวิธีอย่างนี้คือโดยลำดับ โดยไม่เร็วนักโดยไม่เฉื่อยช้านักโดยป้องกันความฟุ้งซ่านโดยล่วงบัญญัติโดยละลำดับโดยอัปปนาและโดยสุดตันตะวิธีที่หนึ่งมณสิการโดยลาดับในมณสิการโคสละสิบอย่างนั้นข้อว่าโดยลำดับความว่า กรรมฐานเริ่มตั้งแต่สาธยายต้องมณนสิการไปตามลำดับไม่พึงมานาสิการโดยเว้นไว้ระหว่างเสบดบทหนึ่งเพราะเมื่อพระโยคาวาจร์มานาสิการโดยเว้นไว้ระหว่างเสบดบทหนึ่งย่อมจะเป็นผู้เหนื่อยจิตตกไปจากการได้รับความแช่มชื่นอันจะพึงบรรลุด้วยอำนาจภาวนาสมบัติยอมไม่อย่างภาวนาให้สำเร็จเปรียบเสมือนคนไม่ฉลาดขึ้นบันได32สองขั้น โดยเว้นไว้ระหว่างเซกคันหนึ่งก็จะเหนื่อยกายตกลงไม่ยังการขึ้นให้สำเร็จได้ฉะนั้นวิธีที่สองมณสิการโดยไม่เร็วนักแม้เมื่อมณสิการโดยลำดับก็พึงมณสิการโดยไม่เร็วนักเพราะเมื่อมณสิการเร็วนักกรรมาฐานย่อมถึงที่สุดเป็นแท้ก็จริง ถึงอย่างนั้นกรรมาฐานนั้นก็ไม่ปรากฏชัดย่อมไม่นำมาซึ่งคุณวิเศษเปรียบเหมือนบุรุษผู้เดินทางประมาณสามโยดไม่ค่อยกำหนดทางที่ควรเว้นและควรแวะเดินกลับไปกลับมาอยู่ตั้งเจ็ดครั้งโดยฝีเท้าอันเร็วระยะทางย่อมถึงความสิ้นสุดไปก็จริงถึงกระนั้นก็ควรถามเขาก่อนแล้วจึงเดินทาง เพราะเหตุนั้นพึงมนาสิการโดยไม่เร็วนักวิธีที่สามมนาสิการโดยไม่เฉื่อยช้านักอันหนึ่งมนาสิการโดยไม่เฉื่อยช้านักก็ฉันเดียวกับมนาสิการโดยไม่เร็วนักเพราะว่าเมื่อมนาสิการโดยเฉื่อยช้านักกรรมฐานจะไม่ถึงที่สุดไม่เป็นปัจจัยแห่งการได้คุณในวิเศษ เปรียบเหมือนเมื่อบุรุษผู้ประสงค์จะเดินทางสามโย์ในวันเดียวนั่นเองมัวพักอยู่ณที่ต่างๆมีต้นไม้ลูเขาและบึงเป็นต้นในระหว่างทางทางก็ไม่ถึงความสิ้นสุดโดยสองถึงสามวันจึงจะถึงที่สุดฉะนั้นวิธีที่สี่มณสิการโดยป้องกันความฟุ้งซ่าน คำว่ามนุษย์การโดยป้องกันความฟุ้งซ่านความว่าพึงป้องกันภาวะที่จิตทอดทิ้งกรรมฐานแล้วฟุ้งซ่านไปในอารมณ์หลากหลายในภายนอกเพราะเมื่อไม่ป้องกันเมื่อจิตพลานไปภายนอกกรรมฐานย่อมเสื่อมคลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้เดินทางเลียบเหวซึ่งเป็นทางเดินได้เพียงคนเดียวไม่กําหนดเท้าที่เหยียบลงไป มัวเหลียวไปข้างโน้นข้างนี้การวางเท้าก็ยอมจะผิดพลาดลงไปในเหวอันลึกชั่วร้อยบุรุษเพราะเหตุนั้นพระโยคาวจรพึงมนสิการโดยป้องกันความฟุ้งซ่านวิธีที่หามนสิการโดยล่วงบัญญัติคำว่ามนสิการโดยล่วงบัญญัติ ความว่าพึงล่วงบัญญัติมีอาทิว่าเกสาโลมาดังนี้แล้วตั้งจิตว่าเป็นของปฏิกูลเมื่อพระโยคาวะจอนมานาสิกาโดยบัญญัติว่าเกสาโลมาดังนี้ในเบื้องต้นความเป็นของปฏิกูลย่อมปรากฏภายหลังจึงเลิกบัญญัติว่าเกสาโลมาเป็นต้น พึงตั้งจิตไว้ในภาวะที่เป็นของปฏิกูลเท่านั้นเปรียบเหมือนในคราวหาน้ายากคนทั้งหลายพบบ่อน้าในป่าแล้วผูกสิ่งอะไรๆมีใบตานเป็นต้นเป็นเครื่องหมายไว้ในที่นั้นแล้วมาตามเครื่องหมายนั้นแล้วก็อาบและดื่มแต่เมื่อใดด้วยการสัญจรไปเนืองๆแห่งคนเหล่านั้นรอยของคนที่มาที่มายอมจะปรากฏ เมื่อนั้นกิดด้วยเครื่องหมายหามีไม่คนทั้งหลายยอมไปอาบและดื่มได้ทุกขณะที่ต้องการฉะนั้นวิธีที่หกมณสิการโดยละลำดับคำว่ามณสิการโดยละลำดับความว่าพระโยคาวจรเมื่อละส่วนที่ไม่ปรากฏชื่อว่าพึงมณสิกานไปโดยลำดับ เพราะเมื่อประโยคาวจอนผู้เริ่มบำเพ็ญเพียรมนาสิการว่าเกษามนาสิการก็จะดำเนินไปจรดส่วนสุดคือมูดนี้ทีเดียวและเมื่อมนาสิการว่ามูดมนาสิการก็จะดำเนินไปจรดส่วนเบื้องต้นคือเกษานี้เหมือนกันครั้นมนาสิการไปมนาสิการไปบางส่วนปรากฏบางส่วนไม่ปรากฏ เธอพึงทำบริกรรมในส่วนที่ปรากฏจนกระทั่งเมื่อปรากฏทั้งสองส่วนส่วนใดในบรรดาทั้งสองส่วนนั้นปรากฏชัดกว่าก็เมื่อมนสสิการแต่ส่วนเฉพาะที่ปรากฏชัดกว่านั้นอย่างนี้บ่อยๆเข้าพึงทำอัปปนาให้เกิดขึ้นข้อนั้นมีอุ ป, ปมาดังต่อไปนี้เปรียบเหมือนในพรานคนหนึ่งใครจะจับลิงซึ่งอยู่ในดงตาล อันมีต้นตาลสามสิบสองต้นพึงใช้ลูกศรยิงใบตาลที่ยืนอยู่ในอันดับแรกแล้วพึงทำการตะเพิดกรั้นลิงนั้นโดดไปในต้นตา น, นั้นๆโดยลำดับถึงต้นสุดท้ายทีเดียวเมื่อในพรานไปทำเหมือนอย่างนั้นแม้ในต้นตาลต้นสุดท้ายนั้นลิงพึงมายังต้นตาลต้นแรกตามนัยยะนั้นนั่นแหลอีกมันกลับไปกลับมาอย่างนี้บ่อยๆเข้า ก็จะพึงโผล่แต่ในที่ที่ในาพรานทำเสียงตะเพิดไล่เท่านั้นแล้วไปก็จะหมอบอยู่ที่ต้นตาลต้นหนึ่งยึดยอดตาลตูมอันสะอาดตรงกลางต้นนั้นไว้มัน่นแม้ถูกยิงก็ไม่โผล่ฉันใดคำอุปมาอันยังอุปมาให้ถึงพร้อมนี้ก็พึงเห็นฉันนั้นนี้เป็นคำเทียบอุปมาอุปมาในข้อนั้น ส่วนส2องในกายนี้เปรียบเสมือนต้นตาล32สองต้นจิตเหมือนลิงพระโยคาวจรเหมือนนายพรานการที่จิตของพระโยคีท่องเที่ยวไปในกายอันมีส่วนส2สองส่วนโดยเป็นอารมณ์เหมือนการที่ลิงอาศัยอยู่ในดงตาลอันมีต้นตาลส2สองต้นการที่พระโยคีเริ่มมานาสิการว่า เกสาแล้วจิตดําเนินไปหยุดลงที่ส่วนสุดทีเดียวเหมือนการที่เมื่อนายพรานใช้สอนยิงใบาตาลต้นที่ยืนอยู่ต้นแรกแล้วทําเสียงตะเพิดลิงก็ผลไปที่ต้นตาล น, นั้นๆจนถึงต้นสุดท้ายแม้ในเที่ยวกลับอีกก็ในยะนี้เหมือนกันการที่เมื่อพระโยคขาวาจรมณสิการบ่อยๆเข้าครั้นส่วนบางเหล่าไม่ปรากฏบางเหล่าปรากฏ ก็ปล่อยส่วนทั้งหลายที่ไม่ปรากฏทำบริกรรมในส่วนทั้งหลายที่ปรากฏเหมือนการที่ลิงผลไปตามลำดับบ่อยๆเข้าก็โผล่ขึ้นแต่ในที่ที่นายพรานทำเสียงตะเพิดในบรรดาสองส่วนที่ปรากฏนั้นส่วนใดปรากฏชัดกว่าประโยคนาวจรพึงมณสิกานส่วนนั้นนั่นแหละแล้วแล้วเล่าเ่ายังอัปปนาให้เกิดขึ้น เหมือนการที่ลิงไปไปก็หมอบอยู่ที่ต้นตาลต้นหนึ่งยึดยอดตาลตูมอันสะอาดตรงกลางต้นนั้นไว้มั่นแม้ถูกหญิงก็ไม่โผลฉะนั้นอีกอุปมาหนึ่งเหมือนภิกษุผู้ถือการเที่ยวบินธบาตเป็นวัดอาศัยอยู่ในบ้านอันมีตระกูลสามสิบสองตระกูลอยู่ได้ภิกษาสองส่วน ในเรือนหลังแรกทีเดียวแล้วก็สละเรือนหลังหนึ่งข้างหน้าวันรุ่งขึ้นได้สามส่วนแล้วก็สละเรือนสองหลังข้างหน้าในวันที่สามได้พิกษาเต็มบาทในเรือนหลังต้นทีเดียวแล้วก็ไปโรงฉันฉันซะเลยฉันใดข้าอุปมาอันยังอุปมาให้ถึงพร้อมนี้ก็ฉันนั้น อาการสามสิบสองเปรียบเหมือนหมู่บ้านสามสองตระกูลพระโยขาวจรเหมือนปินทปาติกะภิกษุการที่พระโยขี่ทาบริกรรมในอาการสามสบสองเหมือนการที่ปินทปาติกะภิกษุนั้นอาศัยหมู่บ้านนั้นอยู่การที่เมื่อพระโยขี่มณสิการไปมณสิการไปสละส่วนทั้งหลายที่ไม่ปรากฏ ทำบริกรรมในส่วนทั้งหลายที่ปรากฏที่ปรากฏจนถึงสองส่วนก็เหมือนการที่ปินทปาติกาภิกษุได้พิกษาสองส่วนในเรือหลังแรกแล้วสละเรือหลังหนึ่งข้างหน้าและเหมือนในวันที่สองได้สามส่วนสละเรือสองหลังข้างหน้าการที่พระโยคีมณสิการบ่อยๆเฉพาะส่วนที่ปรากฏชัดกว่าในบรรดาสองส่วน แล้วยังอัปปนาให้เกิดก็เหมือนในวันที่สามได้เต็มบาทเดืเรือหลังต้นทีเดียวแล้วนั่งฉันสทัทธิรงฉันฉะนนั้นวิธีที่เจ็มณสิการโดยอัปปนาคำว่ามณสิการโดยอัปปนาความว่าโดยส่วนที่จะเกิดอัปปนา นี้เป็นอธิบายในอธิการนี้คือบันดิตพึงทราบว่าอปปนาย่อมีในส่วนหนึ่งหนึ่งในบรรดาส่วนทั้งหลายมีผมเป็นต้นวิธีที่แปดมนาสิกาโดยสุตันตะสามนี้เป็นอธิบายในข้อว่าคำว่าสุตันตะสามความว่า สุดตันตะสามเหล่านี้คืออธิจิตตสูตรสีตะภาวสูตรโพชังคโกสละสูตรพระโยคาวจรควรทราบเพื่อปรุงแต่งวิริยะและสมาธิอธิจิตตสูตรในสามสูตรนั้นสูตรที่มีความดังนี้ว่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบอธิจิตต้องมานาสิการถึงนิมิตสตามการอันควรคือต้องมานาสิการถึงสมาธินิมิตตามการอันควรต้องมานาสิการถึงอุกขะหานิมิตตามการอันควรต้องมานาสิการถึงอุเบกขานิมิตตามการอันควรภิกษุทั้งหลายถ้าว่าภิกษุ ผู้ประกอบอาธิจิตพึงมณสิการถึงเฉพาะสมาธินิมิตโดยส่วนเดียวย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้ที่จิตจะพึงเป็นไปเพื่อความเกียรคร้านถ้าภิกษุผู้ประกอบอาธิจิตพึงมณสิการถึงเฉพาะปัจขะนิมิตโดยส่วนเดียวย่อมเป็นไปได้ที่จิตจะพึงเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านถ้าภิกษุผู้ประกอบอาธิจิต พึงมณสิการถึงอุเบกขานิมิตโดยส่วนเดียวเท่านั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้ที่จิตจะไม่พึงตั้งมั่นโดยชอบเพื่อสิ้นอาสวะทั้งหลายแต่เมื่อภิกษุผู้ประกอบอาธิจิตมณสิการถึงสมาธินิมิตอุคหานิมิตอุเบกขานิมิตตามการอันควรจิตนั้นจึงจะเป็นจิตอ่อนควรแก่การงานเป็นจิตผ่องใสและไม่แตกสาน ตั้งมั่นโดยชอบเพื่อสิ้นอาสวะทั้งหลายเปรียบเหมือนช่างทองหรือลูกมือของช่างทองก่อเบ้าครั้นก่อเบ้าแล้วก็สุมเบ้าครั้นสุมเบ้าแล้วใช้คีมจับทองวางลงไปในเบ้าแล้วเป่าไปตามการอันควรประพรมน้ำตามการอันควรเพ่งดูอยู่เฉยๆตามการอันควรภิสษุทั้งหลาย ถ้าว่าช่างทองก็ตามลูกมือช่างทองก็ตามถึงจะเป่าทองนั้นไปอย่างเดียวยอมเป็นฐานะที่จะพึงมีได้ที่ทองนั้นจะพึงไม่ไปหากช่างทองก็ตามลูกมือช่างทองก็ตามประพรมน้ำในทองนั้นไปท่าเดียวยอมเป็นไปได้ที่ทองนั้นจะพึงเย็นหากช่างทองก็ตามลูกมือช่างทองก็ตาม เพ่งดูทองนั้นอยู่เฉยเไปอย่างเดียวยอมเป็นได้ที่ทองนั้นจะไม่พึงถึงซึ่งความสุกปล่งแต่เมื่อช่างทองก็ดีลูกมือช่างทองก็ดีเป่าทองนั้นตามการอันควรประพรมน้ำทองนั้นไปตามการอันควรเพ่งดูทองนั้นอยู่เฉยเตามการอันควรทองนั้นจะพึงอ่อนควรแก่การงานเป็นทองสุกปล่งและไม่เปราะใช้การได้ดี แม้ช่างทองประสงค์เครื่องประดับใดๆจะเป็นเข็มขัดก็ดีจะเป็นตุ้มหูก็ดีจะเป็นเครื่องประดับขอก็ดีจะเป็นสายสังวานก็ดีสิ่งที่ประสงค์นั้นก็ย่อมสำเร็จแก่เขาและฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบอธิจิตเป็นต้นนั้นตั้งมั่นโดยชอบเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายเธอย่อมน้อมจิตไปเพื่อทาให้แจน ด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมะอันควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆเมื่อมีเหตุอันควรเธอย่อมจะถึงความเป็นผู้อาจเพื่อทำให้แจ้งในธรรมะอันควรกระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นนั่นแหละดังนี้พึงทราบว่าอธิจิตตสูตรสีตะภาวะสูตร พระสูตรนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะหกประการควรเพื่อทําให้แจ้งซึ่งความเยือกเย็นอันยอดเยี่ยมด้วยธรรมะหกเหล่าไหนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมะวินัยนี้ย่อมข่มจิตในสมัยที่ควรข่มหนึ่งยอมประคองจิตในสมัยที่ควรประคองหนึ่งยอมให้จิตร่าเริงในสมัยที่ควรร่าเริงหนึ่ง ยอมเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในสมัยที่ควรเพ่งอยู่เฉยๆหนึ่งเป็นผู้ที่มีความหลุดพ้นอันปราณีตหนึ่งเป็นผู้ยินดียิ่งในพระนิพพานหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะหกประการ น, นี้แลเป็นผู้อาจทำให้แจ้งซึ่งความเยือกเย็ยนอันยอดเยี่ยมดังนี้พึงทราบว่าสีตภวสูตร โพชังคะโกสละสูตรส่วนความเป็นผู้ชลาาในโพชงเจ็ดประการข้าพเจ้าแสดงไว้ในอัปปนาโกสละกฐานั้นแล้วโดยพระบาลีมีอาทิว่าฉันนั้นนั่นแหละภิกษุทั้งหลายสมัยใดจิตหดหูสมัยนั้นมีใช่เวลาเจริญปสัสสธิสัมโพชงดังนี้ สรุปโกศลสองพระโยคีนั้นพึงกระทําอุคคะหะโกศลเจ็ดอย่างนี้ให้เป็นสิ่งที่ตนเรียนเอาดีแล้วและพึงกำหนดมณสิการโกศลสิบอย่างนี้ไว้ด้วยดีด้วยประการดังนี้แล้วจึงเรียนกรรมฐานด้วยอำนาจโกศลทั้งสองอย่างให้ดี วิธีเริ่มเจริญกรรมฐานก็ถ้าพระโยคีนั้นอยู่พาสุขสบายในวัดเดียวกันกับพระอาจารย์ก็ไม่พึงให้พระอาจารย์บอกโดยพิสดารอย่างนั้นเจริญพระกรรมฐานบ่อยๆจนได้รรมวิเศษแล้วจึงให้ท่านบอกกรรมฐานสูงๆขึ้นไปส่วนพระโยคีผู้ประสงค์จะไปอยู่ในวัดอื่น พึงให้พระอาจารย์บอกกรรมฐานโดยพิสดารโดยวิธีดังกล่าวแล้วทบทวนบ่อยๆตัดปมที่ฟันเฟือทั้งหมดแล้วสละเสนาสนะอันไม่เหมาะสมไปอยู่ที่เสนาสนะอันเหมาะสมทำการตัดความกังวลเล็กๆน้อยๆเสียตามในยะที่กล่าวแล้วในปฐวีกษินนิเทศนั่นแหละแล้วกระทาบริกรรมด้วยทําในใจว่าปฏิกูล ก็แล้เมื่อจะเจริญอันดับแรกพึงถือเอานิมิตในผมทั้งหลายถืออย่างไรพึงถอนเส้นผมหนึ่งหรือสองเส้นวางไว้ที่ฝ่ามือแล้วกำหนดสีก่อนในการตรวจดูจำนวนผมแมในสถานที่ถูกตัดผมก็ควรแม้การตรวจดูจำนวนผมที่ตกในน้ำหรือในข้าวยาคู ก็ควรเหมือนกันเห็นในเวลาสีดำพึงมณสิการว่ามีสีดำเห็นในเวลามีสีขาวพึงมนสิการว่าสีขาวแต่ในเวลามีสีเจือปนพึงมณสิการด้วยสีข้างมากก็ในผมฉันใดแม้ในตระจะปัญจกะทั้งสี่อย่างก็เหมือนกัน พอได้เห็นแล้วพึงถือเอานิมิตวิธีกำหนดโกฏฐานะครั้นถือเอานิมิตอย่างนี้แล้วพึงกำหนดส่วนทั้งหมดด้วยสามารถแห่งสีสันฐานทิศโอกาสและบริเชตแล้วกำหนดโดยความเป็นสิ่งปฏิกูลห้าประการ คือสีสันฐานกลิ่นที่อาศัยและโอกาสในส่วนทั้งหมดนั้นมีพันน า, นาตามลำดับดังต่อไปนี้อธิบายเกศาคือผมพึงทราบผมก่อนผมโดยสีปกติเป็นสีดำดุดสีลูกประคำดีควายใหม่ๆโดยสันฐาน ยาวกลมมีสันฐานเหมือนคันช่างโดยทิศเกิดในทิศเบื้องบนโดยโอกาสในข้างทั้งสองกำหนดด้วยหมวกหูข้างหน้ากำหนดด้วยกรอบหน้าผากข้างหลังกำหนดด้วยหลุมคอหนังอันชุ่มที่หุ้มกะโหลกศีรษะเป็นโอกาสคือที่เกิดที่ตั้งแห่งผมทั้งหลาย ด้วยปริเฉดผมทั้งหลายเบื้องต่ำกำหนดด้วยพื้นรากของตนที่ทะยงเข้าไปในหนังหุ้มศีรักประมาณเท่าปลายเมล็ดเข้าเปลือกตั้งอยู่เบื้องบนกำหนดอากาศเบื้องขวางกาหนดด้วยส่วนแห่งการละกันการกำหนดเช่นนี้ว่าผมสองเส้นไม่มีโดยเป็นเส้นเดียวกันดังนี้ เป็นการกำหนดโดยส่วนที่เสมอกันธรรมดาผมทั้งหลายธรรมชาติสร้างมามิให้ปนกับส่วนที่เหลือสาสิบเอ็ดส่วนอย่างนี้ว่าผมมิใช่ขนขนมิใช่ผมกำหนดเช่นนี้ว่าส่วนนั้นเป็นส่วนหนึ่งต่างหากดังนี้เป็นการกำหนดส่วนที่ไม่เสมอกัน อันนี้เป็นการกำหนดผมโดยลักษณะมีสีเป็นต้นส่วนการกำหนดผมเหล่านั้นโดยเป็นสิ่งปฏิกูลห้าประการด้วยสามารถแห่งสีเป็นต้นพึงทราบดังต่อไปนี้ธรรมดาผมเหล่านั้นแม้จะว่าโดยสีก็ดีโดยสันฐานก็ดีโดยกลิ่นก็ดี โดยที่อาศัยก็ดีโดยโอกาสก็ดีก็เป็นสิ่งปฏิกูลจริงอยู่พวกมนุษย์เห็นสิ่งอะไรอะไรที่มีสีคล้ายผมในภาชนะยาคูหรือในภาชนะพัดแม้ที่น่าพึงพอใจก็ยังน่าเกลียดว่าสิ่งนี้ปนกับผมจึงนำมันไปเสียผมทั้งหลายแม้โดยสีก็ปฏิกูลด้วยประการอย่างนี้ อันหนึ่งคนทั้งหลายเมื่อรับประทานอาหารกลางคืนแม้ถูกต้องเปลือกรักหรือเปลือกปออันมีสันธานดังผมเข้าก็จะเกลียดขึ้นมาอย่างนั้นเหมือนกันผมทั้งหลายเป็นสิ่งปฏิกูลโดยสันธานดังกล่าวมานี้อันหนึ่งผมที่เว้นจากการตกแต่งมีทาน้ำมันและอบดอกไม้เป็นต้นย่อมมีกลิ่นน่าเกลียดอย่างยิ่ง เมื่อใส่เข้าในไฟย่อมมีกลิ่นน่าเกลียดกว่านี้ก็ผมทั้งหลายโดยสีและสันธานแม้จะถึงเป็นของไม่น่าเกลียดแต่โดยกลิ่นเป็นสิ่งที่น่าเกลียดแท้เปรียบเหมือนอุจจาระของเด็กเล็กๆโดยมีสีเหมือนขมิ้นแม้โดยสันธานมีสันธานเหมือนก้อนขมิ้นและซากสุนัขดำที่ขึ้นพองที่เขาทิ้งไว้ณที่ทิ้งขยะ โดยมีสีเหมือนผลตาลสุกโดยสันฐานมีสันฐานเหมือนตะโพนที่เขากลิ้งทิ้งไว้แม้เคี้ยวของมันเล่าก็มีสันฐานเหมือนดอกมะลิตูมเพราะฉะนั้นอุจจาระเด็กและซาสุนักทั้งสองอย่างโดยสีและสันฐานจะไม่เป็นของปฏิกูลก็ได้แต่โดยกลิ่นเป็นสิ่งปฏิกูลแท้ฉันใด แม้ผมก็พึงเป็นฉันนั้นโดยสีและสันฐานจะไม่ปฏิกูลก็ได้แต่ว่าโดยกลิ่นเป็นสิ่งปฏิกูลแท้แลอันหนึ่งเปรียบเหมือนผักสําหรับแกงที่เกิดในน้ําคร่ําที่ไหลออกจากบ้านขังอยู่ในที่ไม่สะอาดย่อมเป็นสิ่งน่าเกลียดไม่น่าบริโภคของมนุษย์ชาวเมืองฉันใดแม้ผมทั้งหลายก็ฉันนั้น จัดเป็นสิ่งที่น่าเกลียดเพราะเกิดด้วยน้ําที่ซึมออกมาแต่ส่วนต่างๆมีน้ําเหลืองเลือดมูดกรีสะน้ําดีและเสมหะเป็นต้นนี้เป็นความน่าเกลียดโดยที่อาศัยของผมเหล่านั้นอนหนึ่งธรรมดาผมเหล่านี้เกิดในกองแห่งส่วนสามสิบเอ็ดส่วนเปรียบดังผักเกิดที่กองคูดผมเหล่านั้น จัดว่าเป็นสิ่งที่น่าเกลียดอย่างยิ่งเพราะเกิดในที่ไม่สะอาดดุดพักเกิดในป่าช้าและที่ทิ้งขยะมูลฝอยเป็นต้นและเปรียบดังดอกบัวหลวงและดอกบัวสายเป็นต้นที่เกิดในที่ไม่สะอาดมีคูเมืองเป็นต้นนิลาเป็นความปฏิกูลโดยโอกาสแห่งผมเหล่านั้นพระโยคาวจรพึงกำหนดความเป็นของปฏิกูลโดยส่วนห้า คือโดยสีสันฐานกลิ่นที่อาศัยและโอกาสแห่งส่วนทั้งปวงดุดกำหนดความเป็นของปฏิกูลแห่งผมทั้งหลายฉันนั้นเถิดแต่ว่าโดยสีสันฐานทิศโอกาสและปริเชตต้องกำหนดเป็นแผนกแผนกทุกๆส่วนอธิบายโลมาคือขน ในบรรดาส่วนเหล่านั้นพึงทราบขนก่อนขนตามปกติมีประมาณ9ก้าหมื่นขุมว่าโดยสีปกติก็ไม่เหมือนผมคือไม่ดำล้วนแต่มีสีทั้งดำทั้งเหลืองโดยสันฐานมีปลายน้อมลงมีสันฐานดังรากตาลโดยทิศเกิดในทิศทั้งสองโดยโอกาส เว้นโอกาสที่ผมตั้งอยู่และฝ่ามือฝ่าเท้าเกิดอยู่ตามหนังหุ้มสรีระนอกนั้นโดยมากโดยปริเชตเบื้องต้นกำหนดด้วยรากพื้นเบื้องต่ำของตนอันแยงเข้าไปในหนังหุ้มสรีระประมาณเท่าปลายเหล็กจานเบื้องบนกำหนดด้วยอากาศเบื้องขวางกำหนดด้วยส่วนของการละกัน ขนสองเส้นไม่มีโดยที่แห่งเดียวกันกำหนดดังนี้เป็นการกำหนดด้วยส่วนที่เป็นสภาพกันของขนเหล่านั้นส่วนการกำหนดส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมแลอธิบายหนะะ้าขาคือเล็บคําว่าห น, น้าขานี้เป็นชื่อของเล็บยี่สิบเล็บ เล็บทั้งหมดนั้นโดยสีมีสีขาวโดยสันฐานมีสันฐานดังเกร็ดปลาโดยทิศเกิดในทิศทั้งสองคือเล็บเทา้าเกิดในทิศเบื้องล่างเล็บมือเกิดในทิศเบื้องบนโดยโอกาสตั้งอยู่หลังปลายนิ้วทั้งหลายโดยปริเชตในทิศทั้งสองกำหนดด้วยเนื้อปลายนิ้ว ข้างในกำหนดด้วยเนื้อหลังนิ้วข้างนอกและปลายกำหนดด้วยอากาศด้านขวางกำหนดด้วยส่วนของการและกันการกำหนดโดยนัยยะว่าเล็บสองใบไม่มีอยู่ร่วมกันนี้เป็นการกำหนดด้วยส่วนที่เป็นสภาพกันส่วนการกำหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั่นแหละ อธิบายทันตาคือฟันคำว่าทันตาได้แก่กระดูกฟันส2สองซี่ของผู้มีฟันเต็มฟันแม้เหล่านั้นโดยสีมีสีขาวโดยสันฐานมีสันฐานหลายอย่างจริงอยู่บรรดาฟันเหล่านั้นว่าด้วยฟันสีซี่ตรงกลางแถวฟันข้างล่างก่อน มีสันฐานเหมือนมเมล็ดน้ำเต้าที่เขาตั้งเรียงไว้โดยลำดับที่ก้อนดินเหนียวฟันแต่ละซี่ในข้างทั้งสองของฟันสี่ซี่นั้นมีรากเดียวมีสันฐานเหมือนดอกมะลิซ้อนตูมถัดฟันนั้นไปเป็นฟันข้างละซี่มีสองรากสองงม้มมีสันฐานเหมือนไม้ค้ํายันถัดไปฟันข้างละสองซี่มีสามรากปลายก็สามแง่ ไปฟันข้างละสองซี่มีสีรากปลายก็สีแง่แม้ในแถวฟันข้างบนก็ในยะนี้เหมือนกันโดยทิศเกิดในทิศเบื้องบนโดยโอกาสตั้งอยู่ในกระดูกรามทั้งสองโดยปริเฉตเบื้องล่างกําหนดด้วยพื้นรากของตนอันตั้งอยู่ในกระดูกรามเบื้องบนกําหนดด้วยอากาศ เบื้องขวางกำหนดด้วยส่วนแห่งกันและกันการกำหนดโดยในยะว่าฟันสองซี่ไม่มีรวมอยู่ด้วยกันนี้เป็นส่วนกำหนดที่เป็นสภาพกันส่วนการกำหนดส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั่นแหละอธิบายตัดโจคือหนังคำว่าตัดโจ ได้แก่นหนังที่หุ้มร่างกายทั้งสิ้นเบื้องบนแห่งหนังมีผิวสีดําคล้ําและเหลืองเป็นต้นซึ่งเมื่อลอกออกจากร่างกายทั้งสิ้นก็จะได้ประมาณเท่าเมล็ดในพุทราแต่หนังโดยสีก็มีสีขาวเท่านั้นก็แลภาวะที่หนังขาวนั้นย่อมปรากฏเมื่อผิวถูกลอกออกเพราะเหตุมีเปลวไฟลวกเอา และถูกฟันเป็นต้นโดยสันฐานมีสันฐานเหมือนร่างกายนั่นเองนี้เป็นความสังเขตในข้อว่าโดยสันฐานนี้แต่ว่าโดยพิสดารหนังนิ้วเท้ามีสันฐานดังรังไหมหนังหลังเท้ามีสันฐานเหมือนรองเท้าหุ้มส้นหนังแข้งมีสันฐานเหมือนใบตานห่อข้าวหนังขา มีสันฐานเหมือนทุงยางอันเต็มไปด้วยข้าวสารหนังตะโพกมีสันฐานดังผืนผ้ากรองน้ำอันเต็มไปด้วยน้ำหนังหลังมีสันฐานดังหนังหุ้มโลกหนังท้องมีสันฐานดังหนังหุ้มร่างพินหนังอกโดยมากมีสันฐานสี่เหลี่ยมหนังแขนทั้งสองมีสันฐานดังหนังหุ้มแร่งธนู หนังหลังมือมีสันฐานดังฝักมีดหรือมีสันฐานดดถุงใส่โล่หนังนิ้วมือมีสันฐานดังฝักกุญแจหนังคอมีสันฐานดังเสื้อปิดคอหนังหน้ามีช่องใหญ่น้อยมีสันฐานดังรังตกกะกแตนหนังศีรษะมีสันฐานดังบาด ก็แลประยุขาวจรผู้จะกำหนดหนังพึงส่งยานมุ่งตรงขึ้นเบื้องบนตั้งแต่ริมฝีปากบนแล้วพึงกำหนดหนังที่ตั้งหุ้มรอบปากก่อนเป็นอันดับแรกแต่นั้นจึงกำหนดหนังหุ้มกระดูกนาผากต่อ น, นั้นจึงส่งสัญญาณเข้าไปโดยระวางกระดูกศีรษะและหนังหุ้มศีรษะ ดุดสอดมือเข้าไปโดยระหว่างแห่งบาด ท, ที่สวมถลกบาดฉะนั้นแล้วแยกความที่หนังเนื่องเป็นอันเดียวกันกับกระดูกออกจากกันแล้วกำหนดหนังศีรษะต่อ น, นั้นพึงกำหนดหนังคอต่อ น, นั้นพึงกำหนดหนังมือขวาทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมครั้นแล้วพึงกำหนดหนังมือซ้ายโดยในยะนั้นเหมือนกัน ออนั้นพึงกำหนดหนังหลังครั้ร aja, นกำหนดหนังหลังนั้นแล้วจึงกำหนดหนังเท้าขวาทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมครั้นแล้วพึงกำหนดหนังเท้าซ้ายโดยนัยะเดียวกันนั้นแต่นั้นพึงกำหนดหนังท้องน้อยหนังหน้าท้องหนังทรงอกและหนังคอโดยลำดับครั้นแล้วพึงกำหนดหนังใต้คาง ตัดหนังคอขึ้นมาจนถึงริมฝีปากล่างเป็นที่สุดจึงเสร็จเมื่อพระโยคาวจรกำหนดหนังหยาบๆได้อย่างนี้แม้หนังที่ละเอียดก็ย่อมปรากฏโดยทิศหนังเกิดในทิศทั้งสองโดยโอกาสมันหุ้มร่างกายทั้งสิ้นอยู่โดยป ร, ริเฉต เบื้องล่างกำหนดด้วยพื้นที่มันตั้งอยู่เบื้องบนกาหนดด้วยอากาศนี้เป็นการกาหนดด้วยส่วนที่เป็นสภาพกันแห่งหนังนั้นส่วนการกาหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั่นแหละอธิบายมังสังคือเนื้อคำว่ามังสัง ได้แก่เนื้อเก้าร้อยชิ้นเนื้อทั้งหมดนั้นโดยสีมีสีแดงเช่นเดียวกับดอกทองกวาวโดยสันฐานเนื้อปลีแข้งมีสันฐานดังเข้าสุกในห่อใบตาลเนื้อขามีสันฐานดังลูกหินบดเนื้อตะโพกมีสันฐานดังก้อนเศร้าเนื้อหลังมีสันฐานดังเยื่อลูกตาลสุกเนื้อสีข้างทั้งสอง มีสันฐานเหมือนดินฉาบไว้บางๆที่ท้องฉานเนื้อหนมมีสันฐานดังก้อนดินที่เขาผูกแขวนไว้เนื้อแขนทั้งสองข้างมีสันฐานดังหนูตัวใหญ่ที่ถลกหนังวางซ้อนกันไว้เมื่อพระโยคาวะจรกําหนดเนื้อห ย, ยาบๆอย่างนี้แม้ส่วนที่ละเอียดก็ย่อมปรากฏโดยทิศ เกิดในทิศทั้งสองโดยโอกาสมันตั้งหุ้มกระดูกไม่เกิน300ร้อท่อนไว้โดยปริเฉตเบื้องต่ำกําหนดด้วยพื้นที่ตั้งอยู่ที่โครงกระดูกเบื้องบนกําหนดด้วยหนังส่วนกว้างกําหนดด้วยส่วนของกันและกันนี้เป็นการกําหนดส่วนที่เป็นสภาพกันของเนื้อนั้นฝ่ายการกําหนดส่วนที่ต่างกันเช่นเดียวกับผมนั่นแล อธิบายนหารูคือเอ็นคำว่านหารูได้แก่เอ็นเก้าร้อยเส้นโดยสีเอ็นทั้งหมดมีสีขาวโดยสันฐานมีสันฐานต่างๆจริงอยู่ในเอ็นเหล่านั้นเอ็นใหญ่ที่รึงรัดร่างกายจับตั้งแต่ส่วนบนแห่งคออย่างลงไปทางข้างหน้าห้าเส้นทางข้างหลังก็ห้าเส้น ทางข้างขวาก็ห้าเส้นทางข้างซ้ายก็ห้าเส้นแม้ที่รึงรัดมือขวาทางข้างหน้าก็ห้าเส้นทางข้างหลังก็ห้าเส้นที่รึงรัดมือซ้ายก็อย่างนั้นแม้ที่รึงรัดเท้าขวาทางข้างหน้าเท้าก็ห้าเส้นทางข้างหลังเท้าก็ห้าเส้นที่รึงรัดเท้าซ้ายก็อย่างนั้นดังนี้แหลเอนใหญ่หกสิบเส้น อันได้นามว่าสริราธารากาคือเอ็นรึงรัดร่างการย่างลงไปซึ่งเรียกกันว่ากันทราคือเอ็นรากเงาก็มีเอ็นเหล่านั้นทั้งหมดมีสันฐานดังต้นคล้าอ่อนส่วนเอ็นอื่นๆตั้งกลุ่มตำแหน่งนั้นๆอยู่ที่เล็กกว่าเอ็นสริราธารากานั้นมีสันฐานดังเส้นได้ เอ็นอื่นที่เล็กกว่านั้นมีสันฐานดังเถากระพังโหมนั่นแลอื่นที่เล็กกว่านั้นมีสันฐานดังสายพินใหญ่อื่นมีสันฐานดังเส้นได้อ้นๆอวนเอ็นที่หลังมือและเทา้ามีสันฐานดังตีนนกเอ็นที่ศีรษะมีสันฐานดังข่ายคลุ่มศีรษะทารกเอ็นที่หลังมีสันฐานดังอวนเปียกที่เขาผึงไว้ที่แดด เอนอันแล่นไปตามองอวัยวะน้อยใหญ่นั้นๆที่เหลือมีสันฐานดังเสื้อร่างแห я, ที่สวมร่างกายไว้โดยทิศเกิดในทิศ ท, ทั้งสองโดยโอกาสมันตั้งยึดกระดูกในร่างกายทั้งสิ้นอยู่โดยป ร, รเิเฉดเบื้องต่ากาหนดด้วยพื้นที่มันตั้งอยู่บนกระดูกสามร้อยท่อนเบื้องบนกาหนดด้วยตำแหน่ง ที่มันตั้งจะดเนื้อและหนังอยู่เบื้องขวางกำหนดด้วยส่วนของกันและกันนี้เป็นกำหนดส่วนที่เป็นสภาพกันส่วนการกำหนดที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั่นแหละอธิบายอธิคือกระดูกคำว่าอธิความว่า ยกเว้นกระดูกฟัน32ซี่ที่เหลือเป็นกระดูกประมาณ300ท่อนอย่างนี้คือกระดูกมือ64สท่อนกระดูกเท้า64สท่อนกระดูกอ่อนที่ติดเนื้ออยู่64สท่อนกระดูกส้นเท้าสองท่อนกระดูกข้อเท้าข้างละสองท่อนกระดูกแข่งข้างละสองท่อนกระดูกเข่าข้างละหนึ่งท่อนกระดูกขาข้างละหนึ่งท่อน กระดูกเซลสองท่อนกระดูกสันหลังสิบแปดท่อนกระดูกซี่โครงยี่สิบสี่ท่อนกระดูกหน้าอกสิบสี่ท่อนกระดูกหัวใจหนึ่งท่อนกระดูกรากขวัญสองท่อนกระดูกสะบักสองท่อนกระดูกต้นแขนสองท่อนกระดูกปลายแขนข้างละสองท่อนกระดูกคอเจ็ดท่อนกระดูกคางสองท่อน กระดูกจมูกหนึ่งท่อนกระดูกเบ้าตาสองท่อนกระดูกหูสองท่อนกระดูกหน้าผากหนึ่งท่อนกระดูกกระมมอมหนึ่งท่อนกระดูกกระโหลกสีษะเก้าท่อนกระดูกทั้งหมดนั้นโดยสีมีสีขาวโดยสันฐานมีสันฐานต่างกันจริงอยู่ในกระดูกเหล่านั้น กระดูกปลายนิ้วเท้ามีสันฐานดังมเมล็ดบัวกระดูกข้ อ, อกลางถัดกระดูกปลายนิ้วเท้านั้นเข้ามามีสันฐานดังมเมล็ดขนุนกระดูกข้อโคนมีสันฐานดังบรรดดันดอะหรือกลองกระดูกหลังเท้ามีสันฐานดังกองเง า, เาคล้าที่ถูกบุกกระดูกส้นเท้ามีสันฐานดังเจ้าตานในลอนเดียว กระดูกข้อเท้ามีสันฐานดังลูกสะบ้าสำหรับเล่นที่ผูกไว้กระดูกแข้งตรงที่ที่ตั้งลงในกระดูกข้อเท้ามีสันฐานดังหน่อเป้งที่ถูกปอกเปลือกกระดูกแขนท่อนเล็กมีสันฐานดังคันธนูท่อนใหญ่มีสันฐานดังหัวงูพร้อมกระดูกข่ามีสันฐานดังตอมน้ำที่แหว่งไปข้างหนึ่งกระดูกแข้ง ตรงที่ตั้งจะหดในกระดูกขาวนั้นมีสันฐานดังเขาโคปลายทู่กระดูกขามีสันฐานดังด้ามพระและด้ามขวานที่ถากไม่เรียบกระดูกขาตรงที่ตั้งจะหดในกระดูกสะเอลมีสันฐานดังลูกสบ้ากระดูสีเอลตรงที่ตั้งจะหดกับกระดูกขานั้นมีสันฐานดังผลมะงั่วใหญ่ปลายปาด กระดูกเอลแม้เป็นสองชั้นแต่ติดเป็นอันเดียวกันมีสันฐานดังเตาของช่างหม้อแต่ละชิ้นมีสันฐานดังคีมช่างทองกระดูกตะโพกที่ตั้งอยู่ทางด้านปลายมีสันฐานดังพังผ่านงูที่เขาวางความหน้าไว้มีช่องเล็กช่องใหญ่เจ็ดถึงแปดแห่งกระดูกสันหลังข้างในมีสันฐานดังห่วงดีบุกที่วางซ้อนกันไว้ ข้างนอกมีสันฐานดังลูกประคำในระหว่างกระดูกสันหลังเหล่านั้นมีเดือยอยู่สองซี่คล้ายฟันเลื่อยในกระดูกซี่โครง24บสี่ซี่ซี่ที่ไม่เต็มมีสันฐานดังเขียวแหวง่งซี่ที่เต็มมีสันฐานดังเขียวเต็มเล่มทั้งหมดมีสันฐานดังปีกกลางของไก่ขาวกระดูกสิบสี่ท่อน มีสันฐานดังเรือนคานหามที่คล้ำคร่ากระดูกหัวใจมีสันฐานดังเจวักกระดูกรากขวันมีสันฐานดังมีดโลหะเล่มเล็กๆกระดูกสะบักมีสันฐานดังจอบชาวสีหนที่เหี้ยนไปข้างหนึ่งกระดูกแขนมีสันฐานดังด้ามแว่นกระดูกปลายแขนมีสันฐานดังรากตานคู่กระดูกข้อมือ มีสันฐานดังห่วงแผ่นตะกัวที่เขาเชื่อมให้ติดกันตั้งไว้กระดูกหลังมือมีสันฐานดังกองเง่าคล้าที่ถูกบุกกระดูกข้อโคนนิ้วมือมีสันฐานดังบัน덧คือกลองกระดูกข้อกลางนิ้วมือมีสันฐานดังมเมล็ดขนุนไม่เต็มเม็ดกระดูกข้อปลายนิ้วมีสันฐานดังมเมล็ดบัว กระดูกคอเจ็ดท่อนมีสันฐานดังแว่นหน่อไม้ที่คนใช้เสียบตั้งไว้โดยลำดับกันกระดูกคางอันล่างมีสันฐานดังคีมเหล็กของพวกช่างโลหะอันบนมีสันฐานดังเหล็กสำหรับขูดกระดูกกระบอกตาและกระบอกจมูกมีสันฐานดังเต้าตาอ่อนที่ควักเจ้าออกแล้วกระดูกหน้าผาก มีสันฐานดังเปลือกสังที่วางความหน้าไว้กระดูกหูมีสันฐานดังฝักมิดโกนของช่างกลระบบคือช่างตัดผมกระดูกในที่ที่หน้าผากกับกกหูติดกันเป็นแผ่นอยู่ตอนบนมีสันฐานดังท่อนผ้าที่ยูยีและเต็มไปด้วยเนยใสกระดูกกระหม่อมมีสันฐานดังกระโหลกมะพร้าวเบี้ยว ที่ปาดหน้าแล้วกระดูกศีรษะมีสันฐานดังกะโหลกน้ำเต้าเก่าที่เขาเย็บตรึงไว้โดยทิศกระดูกเกิดในทิศทั้งสองโดยโอกาสว่าโดยไม่แปล ก, กันตั้งอยู่ทั่วร่างกายแต่เมื่อว่าโดยแปล ก, กันในกระดูกเหล่านั้นกระดูกศีรษะตั้งอยู่บนกระดูกคอกระดูกคอ ตั้งอยู่บนกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังตั้งอยู่บนกระดูกไสเอวกระดูกไสเอวตั้งอยู่บนกระดูกขากระดูกขาตั้งอยู่บนกระดูกเข่ากระดูกเข่าตั้งอยู่บนกระดูกแข้งกระดูกแข้งตั้งอยู่บนกระดูกข้อเท้ากระดูกข้อเท้าตั้งอยู่บนกระดูกหลังเท้าโดยปริเฉษ ภายในกำหนดด้วยเยื่อในกระดูกเบื้องบนกำหนดด้วยเนื้อที่ปลายและโคนกำหนดด้วยส่วนแห่งกันและกันนี้เป็นการกำหนดด้วยส่วนอันเป็นสภาพกันแห่งกระดูกเหล่านั้นส่วนการกำหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั่นแหละอธิบายอธิมิชังเยื่อในกระดูก คำว่าอธิมิชังได้แก่เยื่อในอันอยู่เฉพาะภายในแห่งกระดูกนั้นๆเยื่อในกระดูกนั้นโดยสีมีสีขาวโดยสันฐานเยื่อในที่อยู่ภายในกระดูกท่อนใหญ่ๆมีสันฐานดังยอดหวายใหญ่ที่เขาล่นไฟแล้วสอดเข้าไว้ในกระบอกไม้ไผ่เยื่อในที่อยู่ภายในกระดูกท่อนเล็กๆมีสันฐานดังยอดหวเล็กที่เขาลนไฟ แล้วสอดเข้าไว้ในปล้องไม้อ้อโดยทิศเกิดในทิศทั้งสองโดยโอกาสตั้งอยู่ภายในกระดูกโดยปริเฉตกําหนดด้วยพื้นข้างในของกระดูกทั้งหลายนี้เป็นการกําหนดด้วยส่วนที่เป็นสภาพกันแห่งเยื่อในกระดูกนั้นส่วนการกําหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั่นแล อธิบายวักกังคือไตคำว่าไตาได้แก่ก้อนเนื้อสองก้อนที่มีขั้วเดียวกันไตนั้นโดยสีมีสีแดงอ่อนดังสีมเมล็ดทองหลางโดยสันธานมีสันธานดังลูกสบ้าคู่ของเด็กๆหรือมีสันธานดังผลมะม่วงแฝด ต, ติดอยู่ในขั้วเดียวกันโดยทิศเกิดในทิศเบื้องบน โดยโอกาสไตนี้เป็นธรรมชาติที่ติดอยู่กับเอ็นเส้นใหญ่ที่แล่นออกลำคอมีโคนรวมเป็นเส้นเดียวกันไปได้หน่อยหนึ่งแล้วแยกออกเป็นสองเส้นห่อหุ้มเนื้อหัวใจไว้โดยป ร, ริเฉดไตกำหนดด้วยส่วนแห่งไตนี้เป็นการกำหนดด้วยส่วนที่เป็นสภาพกันของไตนั้นส่วนการกำหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั่นแหละ อธิบายหัทยังหัวใจคำว่าหัทยังได้แก่เนื้อหัวใจหัวใจนั้นโดยสีมีสีแดงดังสีหลังกลีบดอกปทุมโดยสันฐานมีสันฐานด่งดอกปทุมตูที่เขาปลิดกลีบชั้นนอกออกแล้วตั้งคว่ำลงภายนอกเกลี้ยงภายในเหมือนกับภายในแห่งรังบวบขม สำหรับคนมีปัญญาแย้มหน่อยหนึ่งของพวกคนมีปัญญาน้อยคงตูมิดทีเดียวอันหนึ่งข้างในหัวใจนั้นมีแองขนาดที่มเมล็ดบุญหน้าตั้งอยู่ได้เป็นที่ขังอยู่แห่งโลหิตประมาณกึ่งซองมือที่มโนธาตุและมะโนวิญญาณธาตุอาศัยเป็นไปก็โลหิตนี้นั้นของคนราคะจริตมีสีแดง ของคนโทสะจริตมีสีดำของคนโมหจริตมีสีเหมือนน้าล้างเนื้อของคนวิตกจริตเป็นสีดังเยื่อถั่วภูของคนศรัทธาจริตมีสีดังดอกกันนิกาของคนปัญญาจริตใสพ่องไม่ขุนมัวขาวบริสุทธิ์ปรากฏดังสีแก้วมณีแท้ที่เจรไนแล้วโดยทิศ ในทิศเบื้องบนโดยโอกาสตั้งอยู่ระหว่างกลางนมทั้งสองภายในร่างกายโดยปริเฉดหัวใจกําหนดด้วยส่วนของหัวใจนี้เป็นการกําหนดด้วยส่วนที่เป็นสภาพกันแห่งหัวใจส่วนการกําหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั่นแหละอธิบายยักกนังคือตับ คำว่าตับได้แก่แผ่นเนื้อคู่ตับนั้นโดยสีมีสีแดงพื้นเหลืองไม่แดงจัดมีสีดังดอกบัวแดงโดยสันฐานที่โคนเป็นแผ่นเดียวที่ปลายเป็นสองง้ามมีสันฐานดังใบทองหลางอันหนึ่งตับนั้นของพวกคนโง่เป็นแผ่นโตแผ่นเดียวเท่านั้นของพวกคนมีปัญญา เป็นแผ่นเล็กๆสองหรือสมชิ้นโดยทิศเกิดในทิศเบื้องบนโดยโอกาสตั้งแนบข้างขวาในระหว่างนมทั้งสองโดยป ร, ริเฉดตับกาหนดด้วยส่วนแห่งตับนี้เป็นการกาหนดด้วยส่วนที่เป็นสภาพกันแห่งตับนั้นส่วนการกาหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั่นแหล อธิบายกิโลมะกั ง, งพังผืดคำว่าพังผืดได้แก่เนื้อสำหรับหุ้มมีสองอย่างโดยแยกเป็นพังผืดปกปิดและพังผืดเปิดเผยพังผืดทั้งสองอย่างนั้นโดยสีมีสีขาวด่งผ้าสีเปลือกไม้แก่โดยสันฐานมีสันฐานตามโอกาสของตน โดยทิศพังผืดปกปิดเกิดในทิศเบื้องบนพังผืดไม่ปกปิดเกิดในทิศทั้งสองโดยโอกาสพังผืดที่ปกปิดตั้งคลุมหัวใจและตับพังผืดที่ไม่ปกปิดติดรัดรึงเนื้อภายใต้หนังทั่วร่างกายโดยเปลือเฉตเบื้องล่างกําหนดด้วยเนื้อเบื้องบนกําหนดด้วยหนัง เบื้องขวางกำหนดด้วยส่วนแห่งพังผืดเองนี่เป็นการกำหนดด้วยส่วนที่เป็นสภาพกันของพังผืดนั้นส่วนการกำหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั่นแหละอธิบายปิหักกังคือม้ามคำว่ามามได้แก่เนื้อเป็นลิ้นอยู่ในท้องโดยสี ม้ามนั้นมีสีเขียวดังดอกคนที่สอด้วยสันฐานมีสันฐานดังลิ้นลูกโคโดำมีขั้วยาวประมาณเจ็ดนิ้วโดยทิดเกิดในทิดเบื้องบนโดยโอกาสตั้งแนบอยู่ข้างที่สุดแห่งพื้นท้องที่ข้างซ้ายแห่งหัวใจซึ่งเมื่อมันออกมาภายนอกเพราะถูกประหารด้วยเครื่องประหารสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นชีวิต โดยปริเชตกำหนดด้วยส่วนของม้ามนี้เป็นการกำหนดด้วยส่วนที่เป็นสภาพกันแห่งม้ามนั้นส่วนการกำหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั่นแลอธิบายปัปหาสังคือปอดคำว่าปอดได้แก่เนื้อปอดต่างโดยเป็นชิ้นเนื้อสามสิบสองชิ้น โดยสีปอดนั้นมีสีแดงดังผลเมื่อเดือยังไม่สุกจัดโดยสันฐานมีสันฐานดังชิ้นขนมหน า, นาๆที่เขาตัดไม่เรียบเป็นของไม่มีรสไม่มีโอชาเหมือนก้อนใบไม้ที่ขนเคี้ยวแล้วเพราะมันถูกไอแห่งเตโชธาตอันเกิดแต่กรรมที่พุ่งขึ้นมาเพราะภายในไม่มีอาหารที่ตนกินและน้ำที่ตนดื่มเผาผ่านแล้ว โดยทิศเกิดในทิศเบื้องบนโดยโอกาสตั้งห้อยปิดอยู่ข้างบนหัวใจและตับในระหว่างนมทั้งสองภายในร่างกายโดยปริเชตกําหนดด้วยส่วนของปอดเองนี้เป็นการกําหนดด้วยส่วนที่เป็นสภาพการแห่งปอดนั้นส่วนการกําหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั่นแล อธิบายอันตังคือไส้ใหญ่คำว่าไส้ใหญ่ได้แก่ขนดไส้อันขดอยู่ในที่ยี่สิบเอ็ดรอบของชายยาวสาสิบสองอกของหญิงยาวย8สิบปดอกไส้ใหญ่นี้นั้นโดยสีมีสีขาวดังก้อนกรวดหรือปูนขาวโดยสันฐานมีสันฐานดังงูหัวขาด ที่เขาขดวางไว้ในรางเลือดโดยทิศเกิดในทิศทั้งสองโดยโอกาสตั้งอยู่ภายในร่างกายมีปลายอยู่ที่คอหอยและที่ทวานหนักเพราะเบื้องบนเลื้อยขึ้นไปถึงหลุมคอและเบื้องล่างเลื้อยลงมาจรดทวานหนักโดยปริเชตกําหนดด้วยส่วนของลำไส้ใหญ่เอง นี่เป็นการกำหนดด้วยส่วนที่เป็นสภาพกันแห่งไส้ใหญ่นั้นส่วนการกำหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั่นแหลอธิบายอันตะคุณังไส้น้อยคำว่าไส้น้อยได้แก่ไส้อันเป็นสายพัน์อยู่ในฐานขนดไส้ใหญ่ไส้น้อยนั้นโดยสี มีสีขาวดังสีรากจงกล น, นี้โดยสันฐานมีสันฐานดังรากจงกล น, นี้นั่นแหละโดยทิศเกิดในทิศทั้งสองโดยโอกาสไส้น้อยนั้นตั้งยึดขนดไส้ใหญ่ให้เป็นมัดอยู่ด้วยกันในระหว่างแห่งขนดไส้ใหญ่ยีอดทบเหมือนเชือกเล็กที่เย็บร้อยไปตามในระหว่างแห่งขนดเชือกสำหรับเช็ดเท้าฉนั้น โดยปริเฉดกำหนดด้วยส่วนแห่งไส้น้อยเองนี้เป็นการกำหนดด้วยส่วนที่เป็นสภาพกันแห่งไส้น้อยนั้นส่วนการกำหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั่นแลอธิบายอุททริยังอาหารใหม่คําว่าอาหารใหม่ได้แก่ของที่บริโภคที่ดื่มที่เคี้ยวและที่ลิ้ม ซึ่งมีอยู่ในท้องอาหารใหม่นั้นโดยสีมีสีด่งอาหารที่กลืนกินเข้าไปโดยสันฐานมีสันฐานด่งเข้าสารที่เข้าห่อหลวมๆในผ้ากรองน้าโดยทิศเกิดในทิศเบื้องบนโดยโอกาสตั้งอยู่ในท้องชื่อว่าท้องได้แก่อวัยวะที่หุ้ม เสมือนโป่งผ้าที่เกิดขึ้นตรงกลางผ้าเปียกน้ำที่รวบชายทั้งสองข้างเข้าภายนอกเลี้ยงภายในเป็นดังผ้าซับฤดูที่เปื้อนแล้วห่อก า, กากเนื้อไว้แม้จะกล่าวว่าภายในท้องนั้นเป็นดังข้างในของผลขนุนเปลือยก็ควรมันเป็นที่อยู่ของหมูนอนแยกประเภทเป็นถึง32ตระกูลเป็นต้นว่าตระกูลตะโกตะกะ พญาตปากขอคันทุ ป, ป า, ทาตกกะพญาตไส้เดือนตาลหฮิระกะพญาเสียนตาลสูจิมุขกะพญาตปากเข็มปตตะตันตุกะพญาตตัวแบนสุดตะกะพญาเส้นได้พากันอาศัยคลาคล่ำเป็นกลุ่มๆไปซึ่งเมื่อของกินมีข้าวและน้ำเป็นต้นไม่มีในท้องมันก็เที่ยวพลุ่งพล่านกันให้ระงวมไป พากันตรงเข้าบอนเนื้อหัวใจและเวลาคนกลืนอาหารมีน้ำและข้าวลงไปมันก็พากันชูปากตลิตรานเข้าแย่งอาหารที่คนกลืนกินลงไปครั้งแรกสองสามคำท้องนั้นซึ่งเป็นเรือนคลอดเป็นวัชกุดีเป็นโรงพยาบาลและเป็นสุสานของหมูนอนเหล่านั้นซึ่งเป็นที่ของกินมีข้าวและน้าเป็นต้นมีประการต่าง แหลกด้วยสากคือฟันอันมือคือลิ้นพลิกไปพลิกมาเกลือกลัวด้วยน้ำลายและน้ำย่อยกลับกลายเป็นของประสาทจากความสมบูรณ์ด้วยสีกลิ่นรสเป็นต้นเป็นเสมือนกับน้ำข้าวในที่ทอหูและราสุนักตกลงไปแล้วก็เกลือกลัวด้วยน้ำดีสเลตและลมละเอียดแล้วด้วยกำลังความร้อนแห่งไฟในท้อง อากูลไปด้วยหมูนอนล่อยเป็นฟองฟอดและต่อมขึ้นบนเรื่อยไปถึงความเป็นกากเป็นของเมนและน่าเกลียดอย่างยิ่งตั้งอยู่เปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดหนาตกลงมาในฤดูแลง้งซากชนิดต่างๆเริ่มตั้งแต่ปัสสาวะอุจจะระท่อนหนังท่อนกระดูกท่อนเอ็นน้ำลายน้ำมูกและเลือดตกลงไปที่น้ำฝน พัดพามาตกลงไปในแอ่งโศกโรครกข้างประตูพวกคนจันทานแล้วผสมเข้ากับน้ำโคลนสองสส่วนก็เกิดเป็นหมูนอนเป็นไอขึ้นด้วยกำลังความร้อนแห่งแสงแดดปล่อยฟองและต่อมขึ้นข้างบนมีสีเขียวคล้ำเหม็นและน่าเกลียดอย่างยิ่งซึ่งเป็นภาพที่ไม่น่าเข้าใกล้ไม่น่าดูเลยตั้งอยู่จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงการดมและการลิ้มเล่า ฉะนั้นเพียงแต่ได้ฟังก็เกิดความไม่พอใจในน้ำและข้าวเป็นต้นจะกล่าวไปยายถึงการดูด้วยปัญญาจากสุเล่าและในที่ที่ของกินมีน้ำและข้าวเป็นต้นซึ่งตกลงไปถึงความจำแนกเป็นห้าส่วนคือส่วนหนึ่งถูกสัตว์กินส่วนหนึ่งถูกไฟธาตุในท้องแผดเผาส่วนหนึ่งเป็นปัสสาวะ ส่วนหนึ่งเป็นอุจจาระส่วนหนึ่งถึงความเป็นรสแล้วเพิ่มพูนส่วนแห่งร่างกายมีเลือดและเนื้อเป็นตน้นโดยปริเชตอาหารใหม่นั้นกำหนดด้วยกระพุ้งท้องและส่วนแห่งอาหารใหม่นี้เป็นการกำหนดด้วยส่วนที่เป็นสภาพกันแห่งอาหารใหม่นั้นส่วนการกาหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั่นแล อธิบายกรีสังอาหารเก่าคำว่าอาหารเก่าได้แก่อุจจาระอุจจาระนั้นโดยสีมีสีดังอาหารที่กลืนเข้าไปนั่นแหละโดยมากโดยสันธานมีสันธานตามโอกาสโดยทิศเกิดในทิศเบื้องล่างโดยโอกาสตั้งอยู่ในกระเพาะอาหารเก่า ที่ชื่อว่ากระเพาะอาหารเก่าเป็นเสมือนกระบอกไม้ไผ่นั่นแลสูงประมาณ8ดองค์คูลีอยู่ที่ปลายไส้ใหญ่ในระหว่างใต้สะดือและโคนข้อสันหลังซึ่งเป็นที่ที่ของกินมีน้ําและข้าวเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งตกลงไปในกระเพาะอาหารใหม่อันไฟธาตุในท้องเผาผลาญปุดเป็นฟองฟอดถึงภาวะเป็นของละเอียดยังถูกบดด้วยหินบด แล้วไหลลงไปตามลำไส้ใหญ่เป็นของหมักตั้งอยู่ดังดินเหลืองที่เขาขย่ำใส่ในปล้องไม้ไผ่เปรียบเหมือนน้ำฝนตกลงที่ภูมิภาคเบื้องสูงแล้วไหลบ่าลงไปขังเต็มภูมิภาคเบื้องต่ำฉะนั้นโดยปริเชตกำหนดกระพุง้งกระเพาะอาหารเกา่าและด้วยส่วนแห่งอุจาระ นี้เป็นการกําหนดส่วนที่เป็นสภาพกันแห่งอาหารเก่านั้นส่วนการกําหนดส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั่นแลอธิบายมัทหลุงคังมันสมองคำว่ามันสมองได้แก่กองเยื่ออันตั้งอยู่ภายในกะโหลกศีรษะมันสมองนั้นโดยสี มีสีขาวดังก้อนเห็ดหัวงูแม้จะกล่าวว่ามีสีดังน้ำนมที่เสียแต่ยังไม่ทันกลายเป็นน้ำนมส้มก็ควรโดยสันฐานมีสันฐานตามโอกาสโดยทิศเกิดในทิศเบื้องบนโดยโอกาสอาศัยแนวประสานสี่แนวภายในกะโหลกศีรษะตั้งรวมกันอยู่ดุดก้อนแป้งสีก้อนที่เขาตั้งรวมกันไว้ โดยปริเฉทกำหนดด้วยพื้นในภายในกะโหลกศีรษะและส่วนแห่งมันสมองนี้เป็นการกำหนดส่วนที่เป็นสภาพกันแห่งมันสมองนั้นส่วนการกำหนดส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั่นแลอธิบายปิดตังคือดีคำว่าดีได้แก่ดีสองอย่าง คือดีที่มีฝักหนึ่งดีที่ไม่มีฝักหนึ่งในดีสองอย่างนั้นดีที่มีฝกักโดยสีมีสีดังน้ำมันมะสางคน้คนดีที่ไม่มีฝกักมีสีดังดอกพิกุลเหี่ยวโดยสันฐานดีทั้งสองอย่างมีสันฐานตามโอกาสโดยทิศดีมีฝักเกิดในทิศเบื้องบนดีไม่มีฝกักเกิดในทิศทั้งสอง โดยโอกาสดีที่ไม่มีฝักยกเว้นที่ที่พ้นจากเนื้อคือผมขนเล็บฝันและหนังที่กระด้างแห้งผากซึมซาบไปทั่วร่างที่เหลือตั้งอยู่ด่างหยาดน้ำมันซึมซาบไปทั่วน้ำาฉะนั้นซึ่งเมื่อมันกําเริบสัตว์ทั้งหลายชักให้ตาเหลืองวิ่งเวียนไปตัวก็สะทกสะท้านเป็นผืนคันดีที่มีฝัก ขังอยู่ในฝากดีซึ่งเป็นดังรังบวกขมใหญ่ตั้งแนบเนื้อตับในระหว่างหัวใจกับปอดซึ่งเมื่อมันกำเริบสัตว์ทั้งหลายมักเป็นบ้าจิตใจแปรปรวนละทิ้งหิริโอต ป, ปะสิ่งที่ไม่น่าทำก็ทำได้คำที่ไม่น่าพูดก็พูดได้สิ่งที่ไม่น่าคิดก็คิดได้โดยปริเฉดกาหนดด้วยส่วนของตน นี้เป็นการกําหนดส่วนที่เป็นสภาพกันแห่งดีนั้นส่วนการกําหนดส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั่นแหลอธิบายเสมหังคือเสมหะคําว่าเสมหะได้แก่เสเลดซึ่งมีประมาณเต็มบาทใบหนึ่งอยู่ภายในร่างกายเสเลดนั้นโดยสี มีสีดังน้ำใบแตงหนูโดยสันฐานมีสันฐานตามโอกาสโดยทิศเกิดในทิศเบื้องบนโดยโอกาสตั้งอยู่ในกระพุ้งท้องซึ่งในเวลาที่กลืนอาหารมีน้ำและข้าวเป็นต้นเมื่อ น, น้ำและข้าวตกลงไปมันก็แยกออกจากกันเป็นสองส่วนแล้วหุ้มห่อเข้าตามเดิมเหมือนอย่างสาหรายในน้ำ เมื่อไม้หรือกระเบื้องตกลงไปมันก็แยกออกเป็นสองแล้วหุ้มเข้าตามเดิมฉะนั้นอันหนึ่งเมื่อมันน้อยไปท้องจะส่งกลิ่นดังซากศพน่าเกลียดยิ่งนักดุดฝีแตกและดุดไข่ไก่เน่าและท้องนั้นส่งกลิ่นฟุง้งการเรอก็ดีพูดก็ดีก็พลอยเหม็นเช่นกลิ่นศพเน่าไปด้วยและคนผู้นั้นจะต้องถูกต่อว่า เรอออกไปทรงกลิ่นเหม็นฟุ้งนักและมันมีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ปิดกั้นกลิ่นซากศพในภายในกระพุ้งท้องอยู่ได้ดังแผ่นกระดานปิดวัชจกุูดีหรือซ่วมฉะนั้นโดยปริเฉดกำหนดด้วยส่วนของเสเลดเองนี้เป็นการกำหนดด้วยส่วนที่เป็นสภาพกันแห่งเสเลดนั้นส่วนการกำหนดด้วยส่วนที่ต่างกัน ก็เช่นเดียวกับผมนั่นแหลอธิบายปุกโพคือน้ำหนองคำว่าน้ำหนองได้แก่หนองที่เกิดจากเลือดเสียหนองนั้นโดยสีมีสีด่งใบไม้เหลืองแต่ในร่างกายคนตายย่อมมีสีด่งน้ำข้าวบูดค้นๆโดยสันฐาน มีสันฐานตามโอกาสโดยทิศเกิดในทิศทั้งสองโดยโอกาสชื่อว่าโอกาสของหนองซึ่งเป็นที่มันขังตั้งอยู่ประจำหามีไม่แต่ในตำแหน่งแห่งร่างกายใดๆที่ถูกต่อหนามตาถูกเครื่องประหารกระทบหรือถูกไฟลวกเอาโลหิตย่อมห้อสุกหรือว่าฝีและต่อมเป็นต้นเกิดขึ้นมันจึงขังอยู่ในที่นั้นๆ โดยปริเฉดกําหนดด้วยส่วนของตนนี้เป็นการกําหนดส่วนที่เป็นสภาพกันแห่งนองนั้นส่วนการกําหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั่นแลอธิบายโลหิตตังคือโลหิตโลหิตในบทว่าโลหิตตังนี้มีสองอย่างคือโลหิตข้นหนึ่ง โลหิตจางหนึ่งในโลหิตสองอย่างนั้นโลหิตข้นโดยสีมีสีดังน้ำครั่งข้นแก่ไฟโลหิตจางมีสีดังน้ำครั่งใสโดยสันฐานโลหิตทั้งสองอย่างมีสันฐานตามโอกาสโดยทิศโลหิตข้นเกิดในทิศเบื้องบนโลหิตจางเกิดในทิศทั้งสองโดยโอกาส โลหิตจางซึมซาบทั่วร่างกายที่มีชีวิตทุกแห่งตั้งอยู่ตามสายช่องแห่งเส้นเอ็นเว้นที่ผมขนฟันและเล็บที่ตั้งพลจากเนื้อและหนังอันกระด้างและแห้งผากเลือดข้นท่วมอยู่ภายใต้แห่งตับมีประมาณเต็มบาทหนึ่งค่อยๆซึมไปบนไตหัวใจตับและปอดทำไตหัวใจตับและปอดให้ชุ่มอยู่เสมอ เพราะเมื่อมันไม่ทำไตและหัวใจเป็นต้นให้ชุ่มอยู่สัตว์ทั้งหลายจะเกิดกระหายขึ้นโดยปริเฉดกําหนดด้วยส่วนของโลหิตเองนี้เป็นการกําหนดด้วยส่วนที่เหมือนกันแห่งโลหิตนั้นส่วนการกําหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั่นแลอธิบายเสโทคือเงือ คำว่าเหงื่อได้แก่อาโปธาตที่ไหลออกตามช่องคุ้มขนเป็นต้นเหงื่อนั้นโดยสีมีสีดังสีน้ำมันงาใสโดยสันธานมีสันฐานตามโอกาสโดยทิศเกิดในทิศทั้งสองโดยโอกาสชื่อว่าโอกาสแห่งเหงือ่อซึ่งเป็นที่ที่มันจะพึงค้างตั้งอยู่ทุกเมื่อดังโลหิตหามีไม่ แต่เมื่อใดร่างกายอบอ้าวอยู่เพราะเหตุต่างๆเช่นร้อนไฟร้อนแดดและความเปลี่ยนแปลงแห่งฤ ด, ดูเป็นต้นเมื่อนั้นมันจึงไหลออกตามช่องขุมผมและขนทั้งปวงดุจก ร, รมสายบัวที่มีรากและเง่าที่ตัดไว้ไม่เรียบซึ่งคนถอนขึ้นจากน้ําฉะนั้นเพราะฉะนั้นแม้สันฐานของเหงื่อนั้นก็พึงทราบโดยช่องขุมผมและขนนั่นแล ก็พระโยคีผู้กำหนดเงือ่พึงมานาสิการเงือตามที่มันขังตั้งเต็มขุมผมและขนนั่นเองโดยปาริเชตกำหนดด้วยส่วนของเงือเองนี้เป็นการกำหนดด้วยส่วนที่เหมือนกันแห่งเงือนั้นส่วนการกำหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั่นแล่ละอธิบายเมโทมันค้น คำว่าเมโทแปลว่ามันข้นมันข้นนั้นโดยสีมีสีด่งขมิ้นที่ถูกผ่าโดยสันฐานสำหรับคนอ้วนมีสันฐานเหมือนผ้าเก่าเนื้อหยาบมีสีด่งขมิ้นที่วางไว้ในระหว่างหนังกับเนื้อสำหรับคนผอมมีสันฐานดังผ้าเก่าเนื้อหยาบมีสีด่งสีขมิ้นที่วางซ้อนกันไว้สองถึงสามชั้น แนบติดเนื้อเหล่านี้คือเนื้อแข้งเนื้อขาอ่อนเนื้อหลังที่ติดกระดูกสันหลังเนื้อช่องท้องโดยทิศเกิดในทิศทั้งสองโดยโอกาสตั้งแผลไปทั่วร่างของคนอ้วนและตั้งติดเนื้อต่างๆเช่นเนื้อแข้งเป็นต้นของคนผอมอยู่ซึ่งแม้นับว่าเป็นมัน แต่เพราะมันเป็นของน่าเกลียดยิ่งนักคนทั้งหลายจึงไม่ถือเอามาใช้เป็นน้ํามันทาศีษะไม่ถือเอามาใช้เป็นน้ํามันอย่างอื่นอย่างอื่นมีน้ํามันสาหรับนัดจมูกเป็นต้นโดยปริเชตเบื้องต่ำกาหนดด้วยเนื้อเบื้องบนกาหนดด้วยหนังเบื้องขวางกาหนดด้วยส่วนของมันเองนี้เป็นการกาหนดด้วยส่วนที่เหมือนกันแห่งมันข้นนั้น ส่วนการกำหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั่นแหละอธิบายอัสุคือน้ำตาคำว่าอัสุได้แก่อาโปธาตซึ่งหลั่งออกจากดวงตาทั้งหลายน้ำตานั้นโดยสีมีสีดังสีน้ำมันงาใสโดยสันฐานมีสันฐานตามโอกาส โดยทิศเกิดในทิศเบื้องบนโดยโอกาสเกิดอยู่ในเบ้าตาน้ำตานั้นไม่ขังอยู่ในเบ้าตาตลอดเวลาดังน้ําดีอยู่ในฝากดีแต่เมื่อใดสัตว์ทั้งหลายเกิดความดีใจหัวเราะใหญ่หรือเกิดเสียใจร้องไห้คร่ำครวญอยู่หรือกลืนกินอาหารสแสลงเห็นปานนั้นเข้าไปและเมื่อใดดวงตาของสัตว์เหล่านั้น บุกสิ่งที่ทำให้น้ำตาไหลมีควันละอองและฝุ่นเป็นต้นกระทบเมื่อนั้นน้ำตาก็ตั้งขึ้นเพราะความดีใจความเสียใจหรืออาหารฤดูที่แสลงเหล่านั้นแล้วเอ่ออยู่เต็มเบ้าตาบ้างไหลออกมาบ้างก็พระโยคีผู้จะกาหนดน้าตาก็พึงกาหนดเอาตามที่มันเอ่ออยู่เต็มเบ้าตานั่นแหละ โดยปริเฉดกำหนดด้วยส่วนของน้ำตาเองนี้เป็นการกำหนดด้วยส่วนที่เหมือนกันแห่งน้ำตาเหล่านั้นส่วนการกำหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั่นแหละอธิบายวสาคือมันเหลวคำว่าวสาได้แก่มันที่เป็นส่วนเหลว มันเหลวนั้นโดยสีมีสีด่งน้ำมันมะพร้าวแม้จะเรียกว่ามีสีด่งสีน้ำมันที่ราดลงไปในน้ำข้าวก็ควรโดยสันธานมีสันธานด่งหยาดน้ำมันที่ซ่านไปลอยคว้างอยู่เหนือน้ำอันใสในเวลาอาบโดยทิศเกิดในทิศทั้งสองโดยโอกาสโดยมากมันตั้งอยู่ในฝ่ามือ หลังมือฝ่าเท้าหลังเท้าปลายจมูกหน้าผากและจงอยบ่าแต่ว่ามันหาได้ละลายอยู่ในโอกาสเหล่านี้ทุกเมื่อไม่แต่เมื่อใดตำแหน่งเหล่านั้นเกิดอบอ้าวขึ้นเพราะร้อนไฟร้อนแดดผิดอากาศและธาตุพิการเมื่อนั้นมันจึงกระจัดกระจายไปทางนวนทางนี้ในที่เหล่านั้นดังหยาดน้ำมัน ที่ซ้านไปบนน้ำใสในเวลาอาบฉะนั้นโดยปริเฉตกําหนดด้วยส่วนของมันเหลวเองนี้เป็นการกําหนดด้วยส่วนที่เหมือนกันแห่งมันเหลวเหล่านั้นส่วนการกําหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั่นและอธิบายเคโลคือน้ำลาย คำว่าเขโลน้ำลายได้แก่อปโปทธาที่ผสมกันเป็นฟองขึ้นภายในปากน้ำลายนั้นโดยสีมีสีดังฟองน้ำโดยสันฐานมีสันฐานตามโอกาสแม้จะกล่าวว่ามีสันฐานดังฟองน้ำก็ได้โดยทิศเกิดในทิศเบื้องบนโดยโอกาสมันไหลลงมาจากกระพุ้งแก้มทั้งสอง ล้วขังตั้งอยู่ที่ลิ้นก็อนน้ำลายนี้ขังอยู่ในกระพุ้งแก้มทั้งสองนี้เป็นนิดหาไม่ได้แต่เมื่อใดสัตว์ทั้งหลายเห็นหรือนึกถึงอาหารเห็นป่านนี้หรือวางของมีรสร้อนขมเผ็ดเค็มเปรี้ยวอะไรอะไรลงไปที่ปากก็ดีหรือว่าเมื่อใดหัวใจของสัตว์เหล่านั้นละเหี่ยอยู่หรือเกิดความสอิดเสเอียนในสิ่งทุกอย่างเมื่อนั้น น้ำลายย่อมเกิดขึ้นแล้วไหลลงออกจากกระพุ้งแก้มทั้งสองขังตั้งอยู่ที่ลิ้นอันหนึ่งน้ำลายนั้นที่ปลายลิ้นใสที่กกลิ้นข้นก็เข้าเมา่าหรือเข้าสารหรือของเคี้ยวอะไรอะไรอย่างอื่นที่ใส่เข้าไปในปากน้ำลายสามารถจะให้ชุ่มอยู่ได้มิได้สิ้นไปเลยดุดน้ำในบอ่อ ที่ขุดในหาดทรายไม่รู้จักสิ้นฉะนั้นโดยปริเฉตกําหนดด้วยส่วนของน้ําลายเองนี้เป็นการกําหนดด้วยส่วนที่เหมือนกันแห่งน้ําลายนั้นส่วนการกําหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั่นแหละอธิบายสิงคานิกานมู คำว่าสิงคานิกาน้ำมูกได้แก่น้ำอันไม่สะอาดที่ไหลออกจากมันสมองน้ำมูกนั้นโดยสีมีสีดังเยื่อในมเมล็ดตาลอ่อนโดยสันฐานมีสันฐานตามโอกาสโดยทิศเกิดในทิศเบื้องบนโดยโอกาสมันตั้งเต็มกระพุ้งจมูกแต่น้ำมูกนั้นไม่ได้ขังตั้งอยู่ในที่นั้นทุกเมื่อหรอก โดยแท้เมื่อใดสัตว์ทั้งหลายร้องไห้ก็ดีเป็นผู้มีความกำเริบแห่งธาตุอันเกิดขึ้นด้วยอำนาจอาหารสแสลงและฤดูเปลี่ยนแปลงก็ดีเมื่อนั้นมันในสมองก็กลายเป็นเสมหะแล้วไหลเคลื่อนจากภายในศีรษะส่งมาตามช่องเพดานจนเต็มกระพุ้งจมูกอยู่บ้างหรือออกมาบ้างเปรียบเหมือนคนห่อนมส้มไว้ในใบบัว เราใช้หนามแทงเบื้องล่างเมื่อ น, นั้นยหยาดนมส้มใสก็จะพึงหยดออกจากช่องนั้นฉะนั้นแหลประโยคีผู้กำหนดน้ำมูกพึงกำหนดตามที่มันขังตั้งเต็มกระพุ้งจมูกอยู่นั่นแหลโดยป ร, ริเฉดกำหนดด้วยส่วนของน้ำมูกนี้เป็นการกำหนดด้วยส่วนที่เหมือนกันแห่งน้ำมูกนั้นส่วนการกำหนดด้วยส่วนที่ต่างกัน ก็เช่นเดียวกับผมนั่นแหละอธิบายลัสิกาไขาข้อคำว่าลัสิกาได้แก่ซากมีกลิ่นเป็นมันภายในแห่งข้อต่อในร่างกายไขยข้อนั้นโดยสีมีสีดังยางดอกกันนิกาโดยสันฐานมีสันฐานตามโอกาส โดยทิศเกิดในทิศทั้งสองโดยโอกาสตั้งอยู่ในภายในข้อต่อหนึ่งร้อยแปดสิบแห่งคอยทำหน้าที่หล่อลื่นข้อต่อกระดูกทั้งหลายก็แลกไขข้อนั้นสำหรับผู้ที่มีไขข้อน้อยเมื่อผู้นั้นลุกขึ้นนั่งลงก้าวไปข้างหน้าถอยหลังกลับคูเหยียดกระดูกย่อมลั่นดังเพาะแผะทำเสียงดุดเสียงนิ้วมือ แม้ผู้นั้นเดินไปสู่ทางไกลแต่เพียงหนึ่งถึงสองโยธวายโยธาสย่อมกำเริบเนื้อตัวย่อมเมื่อยขบแต่สำหรับผู้ใดมีไขข้อมากกระดูกทั้งหลายของผู้นั้นจะไม่ลั่นดังในเพราะความเคลื่อนไหวมีลูกนั่งเป็นต้นแม้เมื่อเขาเดินทางไกลแสนไกลวายโยธาก็ไม่กำเริบเนื้อตัวก็ไม่เมื่อยขบโดยปริเฉด กำหนดด้วยส่วนของใครข้อนี้เป็นการกำหนดด้วยส่วนที่เหมือนกันแห่งใครข้อนั้นส่วนการกำหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั่นแลอธิบายมุดตังคือมูดคําว่ามุดตังได้แก่น้ํามูดมูดนั้น โดยสีมีสีดังสีเหมือนน้ำด่างถั่วราชมาศโดยสันธานมีสันธานเหมือนน้ำที่อยู่ในหม้อน้ำซึ่งเขาวางความไวโดยทิศเกิดในทิศเบื้องต่ำโดยโอกาสอยู่ในภายในหัวไส้ชื่อว่าหัวไส้ท่านหมายเอากระพุ้งหัวไส้ที่มุดเข้าไปได้ทางสรีระแต่ทางเข้าไปแห่งหมูดนั้นไม่ปรากฏ อย่างเดียวกันกับน้าในบ่อน้ำครามซึ่งเข้าไปได้ในหม้อซึมที่ไม่มีปากอันเขาจิ้งไว้ในบ่อน้ำครามแต่ทางเข้าไปแห่งน้ำนั้นไม่ปรากฏฉะนั้นส่วนทางออกของมูดนั้นย่อมปรากฏและเมื่อมูดเต็มแล้วสัตว์ทั้งหลายย่อมเกิดความขวนขวายว่าจะถ่ายปัสสาวะโดยปริเฉด กำหนดด้วยภายในแห่งหัวไส้และส่วนแห่งหมูดนี่เป็นการกำหนดโดยส่วนที่เหมือนกันแห่งหมูดนั้นส่วนการกำหนดที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั่นแหลก็เมื่อพระโยคาวจรกำหนดส่วนทั้งหลายมีผมเป็นต้นด้วยสามารถแห่งสีสันฐานทิศโอกาส และเขตกำหนดด้วยประการชนนี้แล้วมณนนสิการว่าปฏิกูลปฏิกูลโดยอาการห้าคือสีสันฐานกลิ่นที่อาศัยและโอกาสโดยในยะมีอาทิว่าโดยลำดับโดยไม่เร็วนักในที่สุดแห่งการล่วงบัญญัติธรรมะเหล่านั้นทั้งหมดยอมปรากฏประดุดไม่ก่อนไม่หลังแก่พระโยคาวจร ผู้ดูแลอยู่ซึ่งกายนี้ว่าผมมีอยู่ในกายนี้เป็นต้นอย่างเดียวกันกับดอกไม้ทั้งหมดยอมปรากฏประดุดไม่ก่อนไม่หลังแก่บุรุษผู้มีจักสุผู้แลดูอยู่ซึ่งระเบียบ ด, ดอกไม้สาสองชนิดซึ่งร้อยไว้ในเส้นได้อันเดียวกันฉะนั้นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้กล่าวไว้ในมนาสิการโกสละกะถาว่า ก็เมื่อพระโยคาวจรผู้ริเริ่มบำเพ็ญเพียรมนาสิการอยู่ว่าผมทั้งหลายดังนี้มนสิการยอมไปจรส่วนที่สุดว่ามูดนี้ตั้งอยู่ก็ถ้าพระโยคาวจรจากมนสิการเข้าไปแม้ในภายนอกรั้นเมื่อสวนทั้งหมดเป็นสภาพปรากฏอย่างนั้นแก่พระโยคาวจรนั้นสัตว์ทั้งหลายมีมนุษย์และเดือรชานเป็นต้น ที่กำลังเที่ยวไปอยู่ก็จะละอาการแห่งสัตว์ปรากฏด้วยสามารถเป็นกองแห่งส่วนเท่านั้นทั้งวัตถุมีปานะและโภชนะเป็นต้นที่สัตว์เหล่านั้นกำลังกลืนกินก็จะปรากฏดุดใส่เข้าในกองแห่งส่วนครั้นเมื่อมนสิกาเนืองเนืองด้วยสามารถแห่งวิธีมีการละลำดับเป็นต้น ป, ปันาย่อมเกิดขึ้นโดยลำดับในการภาวนาวิธีนั้นการปรากฏด้วยสามารถแห่งสีสันฐานทิศโอกาสและเขตกําหนดแห่งส่วนทั้งหลายมีผมเป็นต้นจัดเป็นอุคหานิมิตการปรากฏด้วยสามารถแห่งความเป็นของปฏิกูลโดยอาการทั้งปวงเป็นปฏิภาคานิมิต เมื่อพระโยคาวจรเสพอยู่โดยมากซึ่งปฏิภาคนิมิตนั้นยังปฏิภาคนิมิตให้เป็นไปอยู่อัปปนาย่อมเกิดขึ้นด้วยสามารถแห่งความเป็นปฐมฌานดุดในอสุภกรรมฐานทั้งหลายตามในย่าที่กล่าวแล้วนั่นแหละอปปนานั้นสำหรับท่านผู้มีส่วนหนึ่งปรากฏเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นหรือว่าท่านถึงอปปนาในส่วนหนึ่งแล้ว ไม่ทำความเพียรในส่วนอื่นอีกย่อมเกิดขึ้นอย่างเดียวเท่านั้นแต่สำหรับท่านที่มีส่วนปรากฏไม่ใช่ส่วนเดียวหรือท่านที่ได้บรรลุฌาในส่วนหนึ่งแล้วย่อมทำความเพียรแม้ในส่วนอื่นอีกปฐมฌานทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นโดยจํานวนแห่งส่วนดุจปฐมฌานที่เกิดแก่พระมัละเถระ เรื่องพระมัลลาเทระได้ยินว่าท่านพระมัลลาเทระนั้นจับมือพระธีฆาพานกะอภยะเทระแล้วกล่าวว่าท่านอภัยจงเรียนปัญหานี้แต่ที่นี้ก่อนดังนี้แล้วกล่าวต่อไปว่าพระมัลลาเทระได้ประมมาฌานสามสิบสองในโกรธหาสะสามสิบสอง ถ้ากลางคืนเข้าปฐมฌานอย่างหนึ่งกลางวันเข้าปฐมฌานอย่างหนึ่งท่านย่อมเวียนมาถึงปฐมฌานนั่นอีกโดยการกึ่งเดือนแต่ถ้าวันหนึ่งเข้าปฐมฌานอย่างหนึ่งท่านย่อมเวียนมาถึงปฐมฌานนั่นอีกโดยการเกินเดือนหนึ่งแม้กมมรรมฐานนี้จะสำเร็จด้วยสามารถแห่งความเป็นปฐมฌานอย่างนี้ท่านก็กล่าวว่ากายคตาสติ เหาะสำเร็จด้วยกำลังแห่งสติในปกินกะมีสีและสันฐานเป็นต้นอ น, นิสงเจริญกายคตาสติก็แลโยคีบุคคลผู้หมั่นประกอบกายคตตาสตินี้แล้วยอมเป็นผู้ครอบงำทั้งความยินร้ายและความยินดี อันความยินร้ายก็ครอบงำท่านไม่ได้และความยินดีหาได้ครอบงำท่านไม่ท่านขมเสียได้ครอบงำเสียได้ซึ่งความไม่ยินดีที่เกิดขึ้นอยู่เป็นผู้ข่มความกลัวภัยได้อันความกลัวภัยหาข่มท่านได้ไม่แต่ท่านข่มเสียได้ครอบงำเสียได้ซึ่งความกลัวภัยที่เกิดขึ้นอยู่ เป็นผู้ทนต่อความหนาวร้อนเป็นต้นเป็นคนอดกลั้นต่อทุกขเวทนาแรงกล้าอันจะกล้าชีวิตเสียได้ได้อาศัยสีต่างๆแห่งส่วนทั้งหลายมีผมเป็นต้นจะเป็นผู้ได้ฌานสีแทงตลอดอภิญญาหกเพราะเหตุนั้นแหละภิกษุผู้มีปัญญาพึงเป็นผู้ไม่ประมาทบำเพ็ญกายคตาสตินี้ อันมีอนิสงส์เป็นอเนกดังกล่าวมานี้ฉนี้นี้เป็นาคาถากอย่างพิสดารในกายคตาสติ